16. ติงสตินิบาต 1. ยิงฉันทาชาดกว่าด้วยดาบทผู้มีความพอใจอะไรเทพที่ดาผู้รักษาแม่น้ำกล่าวกับกิงฉันทะดาบทว่า ท่านพราหมณ์ท่านพอใจอะไรประสงค์อะไรปรารถนาอะไรสแสวงหาอะไรอยู่และเพราะต้องการอะไรจึงมาอยู่แต่ผู้เดียวในฤดูร้อนดาบดได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าหม้อน้าใบใหญ่มีส่วนทรงงดงามฉันใดเมื่อม่วงสุกที่อุดมไปด้วยสีกลิ่นและรสก็อุปมาได้ฉันนั้นเมื่อม่วงนั้นลอยมาตามกระแสน้ำท่ามกลางสายน้าใส อาตมาเห็นเข้าจึงยื่นมือไปเก็บมันนำมาเก็บไว้ในโรงบูชาไฟแต่นั้นอาตมาเองวางมะม่วงไว้บนใบตองใช้มีดฝานแล้วฉันมะม่วงนั้นระ ง, งับความหิวกระหายของอาตมาแล้วอาตมานั้นปราศจากความกระวนกระวายผลมะม่วงหมดไปก็ได้แต่ขมความทุกข์ยังไม่ประสบผลไม้ อ, อย่างอื่นชนิดใดชนิดหนึ่งเลย มะม่วงสุกผลใดมีรสอร่อยมีรสเป็นเลิศน่าพอใจลอยมาในหั่วมหันโนบอาตมาเก็บขึ้นมาจากทะเลมะม่วงสุกผลนั้นทำอาตมาให้สู้ผอมจากนำความตายมาให้อาตมาแน่นอนอาตมาเฝ้าประจาอยู่เพราะเหตุใดเหตุนั้นทั้งหมดอาตมาได้บอกแก่ท่านแล้วอาตมานั่งเฝ้าอยู่เฉพาะแม่น้ำสายที่น่ารื่นรม แม่น้ำสายนี้กว้างใหญ่ไพศาลควักควายไปด้วยปลาโลมาตัวใหญ่ๆแม่นางผู้มีแหวแฝงตนแม่นางนั้นแหละจงบอกแก่อัตมาเถิดแม่นางผู้มีเรือนร่างสง่างามนางเป็นใครกันและมาที่นี่เพราะเหตุอะไรเทพนารีเหล่าใดผู้มีเรือนร่างประดุดแผ่นทองคําที่ขัดสีดีแล้วหรือประดุดนางพยักษ์ที่เกิด อ, อยู่ตามซอกเขา เป็นปริจาริกราของเทพมีอยู่ในโลกและสตรีรูปงามเหล่าใดมีอยู่ในมนุษยโลกบรรดาเทพนารีคนทันและหญิงมนุษย์สตรีเหล่านั้นไม่มีรูปร่างเช่นกับแม่นางแม่นางผู้มีลำขาอ่อนกลมกลึงประดุจแท่งทองอาตมาถามแล้วขอแม่นางจงบอกนามและเผ่าพันแกอาตมาด้วยเถิดเทพธิดากล่าวว่าท่านพราหมณ์ ท่านนั่งเฝ้าอยู่เฉพาะแม่น้ำโกสิกีอันน่ารื่นรมสายใดเข้าพระเจ้าอยู่ที่วิมานมีกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นห่วงน้ำใหญ่สายนั้นลำธารจากภูเขาจำนวนมากเดินดาดไปด้วยหมู่ไม้นานาพันไหลรวมกันตรงมาหาเข้าพระเจ้าอันหนึ่งทานน้ำจากแนวปา่าก่อตัวเป็นห่วงวารีสีเขียวและทานน้ำอันเป็นที่ปลื้มใจแห่งพวกนาคเป็นจำนวนมาก ไหลมาท่วมข้าพเจ้าด้วยห่วงวารีสายน้ำเหล่านั้นย่อมพัดพาผ ล, ลไม้หลายชนิดคือมะม่วงผลว่าขนุนสัมปะลอกระทุ่มผลตาลและมะเดื่อมาเนืองเนืองผ ล, ลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองหล่นลงไปในน้ำผ ล, ลไม้นั้นย่อมลอยไปตามอำนาจกระแสน้ำโดยไม่ต้องสงสัยพระองค์ผู้จอมชนเป็นนักปราดมีปัญญามาก ขอพระองค์จงสดับคําของข้าพเจ้าพระองค์ทราบอย่างนี้ว่าอย่าทรงพอพระไทยความเกาะเกี่ยวทรงปฏิเสธเสียเถิดพระราชฤา ษ, ษีผู้พดุงแคว้นให้เจริญข้าพเจ้าไม่เข้าใจความเป็นบัณฑิตของพระองค์เลยซึ่งพระองค์กําลังทรงพระเจริญไวแต่กลับหวังความตายพระบิดาคนทันพร้อมทั้งเทวดาย่อมทราบความที่พระองค์ตกยุนอนํานาจแห่งตันหาอันหนึ่ง ฤาษีทั้งหลายเหล่าใดในโลกผู้สำรวมตนมีตะบะผู้เริ่มตั้งความเพียรมียศฤาษีแม้เหล่านั้นก็ย่อมทราบโดยไม่ต้องสงสัยต่อแต่นั้นดาบดได้กล่าวว่าบาบย่อมไม่เจริญแก่นรชนผู้รู้เพราะรู้ทรมทั้งปวงรู้ความแตกสลายและรู้การจุติแห่งชีวิตถ้าเขาไม่จงใจจะฆ่าผู้อื่นแม่นางผู้ที่มูฤาษีรู้จักกันดี เธอเป็นคนที่ผู้ลอยบาปรู้แจ้งชัดว่าเป็นผู้เกลือกูลแก่ชาวโลกแม่นางผู้มีความงามเธอย่อมสแสวงหาบาปกรรมเพราะเจรจาถ้อยคำที่ไม่ประเสริฐแม่นางผู้มีสะโพกงามผึ่งภายถ้าอาตมาจากตายที่ริมฝั่งน้ำของเธอชื่อเสียงแอนเลวซามจากมาถึงเธอโดยไม่ต้องสงสัยเมื่ออาตมาล่วงละไปแล้ว เพราะเหตุนั้นแหลแม่นางผู้มีเรือนร่างอันสวยงามเธอจงระวังบาปกรรมเมื่ออาตมาตายไปแล้วขอชนทั้งปวงอย่าได้กล่าวติเตียนเธอในภายหลังเลยเทพธิดาได้สดับดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าเหตุนั้นข้าพเจ้าได้ทราบแล้วขอพระองค์ทรงอดกลั้นสิ่งที่อดกลั้นได้ยากเถิดข้าพเจ้ายอมถวายตนและผลมะม่วงนั้นแก่พระองค์ผู้ทรงละกามคุณที่ละได้ยาก ดำรงสันติและทำไว้อย่างมั่นคงผู้ใดละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต้นได้แต่ยังติดอยู่ในสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องปลายประพฤติอธรรมอยู่นั่นเทียวบาปย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเชิญเสด็จมาเถิดเขาพระเจ้าจะช่วยพระองค์ขอพระองค์ทรงขนขวายน้อยโดยส่วนเดียวเถิดเขาพระเจ้าจะนำพระองค์ไปที่สวนมะม่วงอันร่มเย็นขอพระองค์ปราศจากความขนขวายอยู่เถิด ขอเดชะพระองค์ผู้ทรงข่มอริราชสตรูลสวนมะม่วงนั้นเสีงแส้ไปด้วยหมู่นกที่มัวเมาด้วยรสดอกไม้ที่พยาสกุลปักษีคือนกเกรเรียนนกยูงนกเขาและนกสาลิกาก็มีอยู่ในสวนมะม่วงนี้และในสวนนี้ยังมีฝงโขงส่งเสียงร้องระงมนกดูเว่าวเร่าร้องกึกก้องปลุกเล่าสัตว์ให้เตือนอยู่ณนะสวนมะม่วงนี้ ต้นมะม่วงทั้งหลายมีปลายกิ่งโน้มลงด้วยพวงผลดกดื่นเช่นรวงข้าวสาลีมีทั้งต้นคำต้นสนต้นกระทุ่มและผลตาลสุกห้อยย้อยอยู่เรียงรายดาบทเห็นเปรตสวยที่พยะสมบัติในเวลาดวงอาทิตย์ตกจึงเดืยกกล่าวว่าเธอผู้ประดับมาลาพภกภูสาประดับอาภร์สวมใส่กำไลมือกำไลแขน มีร่างกายฟุ้งไปด้วยจุนแก่นจันทร์ถูกบำเรอตลอดคืนส่วนกลางวันสวยเวทนาเธอมีหญิงหนึ่งหมื่นหกพันนางเป็นนางบำเรอมีอนุภาพมากอย่างนี้ยังไม่เคยมีหน้าขนพองสยองกล้าวในพบก่อนเธอได้ทำบาปกรรมอะไรที่นำทุกขมาให้ตนเธอทำกรรมอะไรไว้ในมนุษย์ทั้งหลายจึงต้องมากัดกินเนื้อหลังของตน ประจําดาบทนั้นได้จึงกล่าวว่าข้าพระองค์ได้เล่าเรียนพระเวทหมกมุ่นอยู่ในกรรมทั้งหลายได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ชนเหล่าเอืรนตลอดกาลนานผู้หากินบนหลังคนอื่นต้องควักเนื้อหลังของตนกินเหมือนข้าพระองค์วันนี้ต้องกัดกินเนื้อหลังของตนเองกิ้งฉันทชาดกที่หนึ่งจบสอกุมพชาดกว่าด้วยหม้อพิเศษ ซพภมิตรราชาทรงสนทนากับเท้าสักกะว่าท่านเป็นใครมาจากสวรรค์ชั้นตร ท, ทดหรือปรากฏอยู่ในนภาอากาศเหมือนดวงจันทร์ทองสว่างในยามรัติการรัศมีทั้งหลายแผ่ซ่านออกจากกายท่านดูสายฟ้าที่แลบอยู่ในอากาศท่านนั้นบรรดาลเมฆที่ขาดลมให้เป็นไปในอากาศได้ทั้งเดินทั้งยืนในอากาศได้ท่านได้บำเพ็ญฤทธิ์ของเทพ ผู้ไม่ต้องเดินทางไกลด้วยเท้าทําให้เป็นที่พึ่งท่านได้หรือท่านอาศัยอากาศก้าวเดินมาหยุดอยู่กล่าวเนื้อความนั้นว่าท่านจงซื้อหม้อพรามท่านเป็นใครหรือหม้อของท่านนี้มีประโยชน์อะไรขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพเจ้าเท้าสักกะแสดงโทษของสุราว่าหม้อนี้ไม่ใช่หม้อเนอยใสไม่ใช่หม้อน้ามัน ไม่ใช่หม้อน้ำอ้อยและไม่ใช่หม้อน้ำพึ่งโทษของหม้อนี้มีมิใช่น้อยพระองค์จงสดับโทษอย่างมากมายที่มีอยู่ในหม้อนี้บุคคลดื่มสุราชนิดใดแล้วเดินโซเซพึงตกเขวตกบอ่อตกถ้ำตกหลุมน้ำครามและหลุมโสโครพึงบริโภคของที่ไม่ควรบริโภคได้มากมายขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยน้ำสุราชนิดนั้น บุคคลดื่มสุราชนิดใดแล้วไม่เป็นอิสระในจิตเที่ยวเปะปะไปเหมือนโคขินกากสุราเป็นเหมือนคนอนาถาร่วมวงขับร้องฟ้อนราได้ขอพระองค์ทรงซื้อมอ น, นี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลดื่มสุราชนิดใดแล้วเปลือยกายเหมือนฉีเปลือยเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้านมีจิตฟ้นเฟือนมักนอนเลยเวลา ขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลเดิมสุราชนิดใดลุกขึ้นแล้วตัวสัน่นโยกศรีรษะและแกว่งแขนไปมาเขาฟ้อนรำเหมือนหุ่นยนต์ขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลเดิมสุราชนิดใดแล้วนอนหลับจนถูกไฟครอกกินของที่พวกสุนัขจิ้งจอกกัดกินเหลือเดนได้ย่อมได้รับการจองจาการถูกฆ่า และความเสื่อมจากโภคะขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลเดิมสุราชนิดใดแล้วพึงพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดนั่งพูดพร่ำอยู่ในสภาปราศจากเสื้อผ้ามียกายเลอะเทอะ เ, เปื้อนจมอยู่ในกองอาเจียนถึงความพินาศขอพระองค์ทรงซื้อหมอนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลเดิมสุราชนิดใดแล้วอวดเก่ง มีในตาขุนขวางสำคัญว่าแผ่นดินทั้งหมดเป็นของเราแต่ผู้เดียวพระราชาแม้จะมีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตก็ไม่เสมอเหมือนเราขอพระองค์ทรงซื้อหม่อ น, นี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลเดิมสุราชนิดใดแล้วเป็นคนเถอตัวจัดก่อการทะเลาะวิวาทมีนิสัยส่อเสียดมีผิวพันธ์าม มักเปลือกกายหลบซ่อนอยู่เสมออยู่แบบโจรแบบนักเลงขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นตระกูลทั้งหลายที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์ตั้งหลายพันพึงมีอยู่ในโลกสุราชนิดนี้ทำให้ขาดจากความเป็นทายาทได้ขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นเข้าเปลือกทรัพย์สินเงินทองไรนาโคกระบือ ในตระกูลใดย่อมพินาศไปและความขาดศูนย์แห่งตระกูลที่มีทรัพย์เครื่องปลื้มใจย่อมมีได้เพราะสุราชนิดใดขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุรุษดื่มสุราชนิดใดแล้วเป็นเหมือนคนกระกขะหยาบคายด่าพ่อแม่จับต้องแม่แม่ยายและลูกสะใภ้ขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้น นาฬีดื่มสุราชนิดใดแล้วเป็นเหมือนหญิง ก, กะกะหยาบคายดาพ่อผัวแม่ผัวและสามีจับต้องทาดและคนใช้ผู้ชายขอพระองค์ทรงซื้อหม้อ น, นี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลดื่มสุราชนิดใดแล้วเพื่อฆ่าสมณะและพรามผู้ดำรงอยู่ในธรรมเขาเพึ่งไปสู่อบายเพราะกรรมนั้นเป็นเหตุขอพระองค์ทรงซื้อหม้อ น, นี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้น ชนทั้งหลายดื่มสุราชนิดใดแล้วประพฤติ ช, ชั่วทางกายวาจาและใจเพราะประพฤติ ช, ชั่วพวกเขาย่อมตกนรกขอพระองค์ทรงซื้อหมอนน้านี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นชนทั้งหลายแม้บริจาคเงินจํานวนมากอ้ อ, อนวอนผู้ใดให้กล่าวเท็จไม่ได้ในการก่อนผู้นั้นดื่มสุรานั้นแล้วก็พูดเหล่อและเลวไห ล, หลได้ขอพระองค์ทรงซื้อหม้อ น, นี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้น ในการรับใช้คนเดิมสุราชนิดใดแล้วถูกเขาใช้ไปเมื่อเกิดกรณีกิจรีบด่วนเขาแม้ถูกถามก็ไม่รู้เรื่องขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นคนเมาทั้งหลายเพราะความเมามมยแม้มีความละอายใจก็ทำความไม่ละอายให้ปรากฏได้แม้เป็นคนดีมีปัญญาก็พูดมาก ขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลเดิมสุราชนิดใดแล้วมักนอนสมหัวกันปดข้าวปลาอาหารนอนเป็นทุกข์อยู่บนพื้นดินย่อมประสบกับความมีผิวพันซามและการถูกติฉินนินทาขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคคลเดิมสุราชนิดใดแล้วนอนคอตกเหมือนโคที่ถูกเกราะซึ่งผูกไว้ที่คอตีกระทบ ฤสุราคล้ายกับทำให้คนมีความอดทนด้วยดีก็หาไม่ขอพระองค์ทรงซื้อหม้อนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมเว้นสุราชนิดใดซึ่งเปรียบได้กับงูมีพิษร้ายใครเล่าควรจะดื่มสุราชนิดนั้นซึ่งเป็นเช่นกับยาพิษในโลกขอพระองค์ทรงซื้อหมอนี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นผู้โอรสของเทา้าอันท ก, กะเวนทะ สวยสุราชนิดใดแล้วพาหญิงไปบำเรอใกล้ฝั่งสมุทรได้ใช้สากประหัดประหารกันละกันขอพระองค์ทรงซื้อหมอ น, นี้ซึ่งเต็มด้วยสุราชนิดนั้นบุคภเทพคืออสูรทั้งหลายดื่มสุราชนิดใดแล้วเมามายจุติจากสวรรค์ชั้นไตรทศยังสำคัญตนว่าเที่ยงเป็นไปกับด้วยอสูรมายาพระมหาราชบุคคลเมื่อทราบน้ำเมานี้ว่าไม่มีประโยชน์ จะพึงเดื่มน้ำชนิดนั้นไปทําไมพระมหาราชในหม้อนี้ไม่มีนมส้มหรือน้ําพึ่งอยู่เลยพระองค์ทรงทราบอย่างนี้แล้วขอทรงซื้อเถิดพระเจ้าสัพมิตรสิ่งของทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหม้อนี้ข้าพระองค์เรียกราบทูลพระองค์ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วแหละพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วเห็นโทษของสุราจึงทรงชมเชยเท้าส ก, กะว่า ถึงบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่เหมือนท่านผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลหวังประโยชน์สูงสุดวันนี้ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำของท่านข้าพเจ้าจะให้บ้านสวยห้าตำบลสาวใช้ร้อยคนโคเจ็รตัวและรถเทียมาอาชาในสิบคันนี้แก่ท่านท่านเป็นอาจารย์ผู้หวังประโยชน์แก่ข้าพเจ้าท้าวสักกะเมื่อจะให้พระราชารู้ว่าตนเป็นเทวดาจึงตรัสว่า พระมหาราชทาสหญิงร้อยคนบ้านสวยโคทั้งหลายและรถเทียมมาอาชาในทั้งหลายของพระองค์จงเป็นของพระองค์เถิดข้าพระองค์เป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพชั้นไตรทศขอพระองค์จงเสวยพระกริยาหารที่ปรุงด้วยเนื้อข้าวปลาแยกที่รคัญด้วยเนยใสและจงเสวยขนมกลุ่มมาที่ปรุงด้วยน้ำพึ่งเถิดพระองค์ผู้จอมชนขอพระองค์จงทรงยินดีในธรรม อันใครๆไม่ติเตียนแล้วเข้าถึงแดนสวรรค์เถิดกุมพระชาดกที่สองจบ 3. ชยัิสะชาดกว่าด้วยพระเจ้าปัญจาละพระนามว่าชัยทิตยักษ์จับพระหัตของพระราชาแล้วกราบทูลว่านานจริงหนอวันนี้พักษาเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแก่เราในเวลาอาหารในวันเจ็ดค่ำ ท่านเป็นใครมาจากไหนขอเชิญท่านบอกเนื้อความนั้นและชาสกุลตามที่ท่านทราบเถิดพระราชาทรงเห็นยักษแล้วตกพระทยัยต่อมาทรงรวบรวมสติได้แล้วจึงตรัสว่าเขาพระเจ้าคือพระเจ้าปัญจาละนามว่าชัยาทิตเข้ามาล่าสัตว์บางทีท่านจะได้ยินมาแล้วบ้างว่าเราเที่ยวไปตามเชิงเขาแนวป่าวันนี้ท่านจงกินเนื้อฝานนี้ ปล่อยเข้าพระเจ้าไปเถิดยักกราบทูลว่าพระองค์เมื่ถูกข่าพระองค์เบียดเบียนกลับทรงแลกพระองค์กับของที่ข้าพระองค์มีอยู่เนื้อฟานที่พระองค์กล่าวถึงเป็นพักษาของข้าพระองค์ข่าพระองค์เคี้ยวกินพระองค์แล้วอยากกินเนื้อฟานก็จะเคี้ยวกินในภายหลังเวลานี้ไม่ใช่เวลาพร่ำเพรือรำพันพระราชาทรงหวนระลึกถึงนันทพรามจึงตรัสว่า ถ้าว่าข้าพเจ้ารอดพ้นไปไม่ได้ด้วยการแลกเปลี่ยนเพื่อไปแล้วจะกลับมาในวันพรุ่งนี้กฎเการในการที่จะให้ทรัพย์แก่พรามณ์นั้นข้าพเจ้าทำไว้แล้วข้าพเจ้าผู้รักษาความสัตว์จะกลับมาอีกยักษ์กราบทูนว่าพระมหาราชกรรมอะไรเล่าที่ทำให้พระองค์ผู้ใกล้ถึงการสวรรคตต้องทรงเดือดร้อนขอพระองค์ตรัสบอกกรรมนั้นแก่ข้าพระองค์ บางทีข้าพระองค์อาจจะอนุญาตให้พระองค์ไปเพื่อจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ได้บ้างพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าได้ให้ความหวังเกี่ยวกับทรัพย์ไว้แก่พรามกฎิกานั้นข้าพเจ้าได้รับรองไว้แล้วยังไม่ได้ปลดเปลื่องกฎิกาในการที่จะให้ทรัพย์แก่พรามนั้นข้าพเจ้าผู้รักษาความสัตย์จะกลับมาอีกยกราบทูลว่า ความหวังเกี่ยวกับทรัพย์อันใดพระองค์ได้สร้างไว้ให้แก่พราหมณ์กฎเ ก, กาฑนั้นพระองค์ทรงรับรองไว้แล้วยังไม่ได้ทรงปลดเปลื่องกฎเ ก, กาฑในการที่จะให้ทรัพย์แก่พราหม์เลยขอพระองค์จงทรงรักษาความสัตย์เสด็จกลับมาอีกพระศาสดาเมื่อทรงแสดงความนั้นจึงได้ตรัสว่าก็พระเจ้าชัยทิดนั้นรอดพ้นจากเงื้อมือของแยกโปริศาสแล้วทรงรีบเสด็จไปยังพระราชมนเทียนของพระองค์ ทรงหวังจะปลดเรื่องกฎิกาในการที่จะให้ทรัพย์แก่พราหมณ์รับสั่งเรียกหาอาลีณะสัตตุราชบุตรเข้ามาเฝ้าตรัสว่าลูกจงอภิเศก ร, ราชสมบัติในวันนี้จงประพฤติธรรมในบริวารของตนและแม้ในบุคคลเหล่าอื่นอันหนึ่งการประพฤติธรรมขออย่าได้มีในแคว้นของลูกส่วนพ่อจะไปสานักของยากโบริศาสรพระราชกุมารกราบทูลว่า ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทหม่อมฉันทำกรรมอะไรจึงทำให้พระราชบิดาไม่พอพระไทยและวันนี้พระราชบิดาจะให้หม่อมฉันดำรงราชสมบัติเพราะการงานที่ทำให้พระราชบิดาไม่พอพระไทยอันใดหม่อมฉันปรารถนาจะสดาบข้อนั้นๆแม้ราชสมบัติเว้นพระราชบิดาหม่อมฉันก็ไม่เพืองปรารถนาพระราชาตรัสว่าลูกรัก พ่อไม่ได้ระลึกถึงความผิด ข, ของลูกเพราะการกระทำหรือเพราะคำพูดของลูกนี้เลยเพราะให้สัตว์จะไว้กับยักษ์โบริศาส์พ่อต้องรักษาความสัตว์จะต้องกลับไปอีกพระราชกุมากราบทูลว่ามอมฉันจะไปแทนขอพระองค์ประทับอยู่ที่นี้การที่จะรอดชีวิตพ้นมาจากสำนักยักษ์โบริศาส์ย่อมไม่มีขอเดชะถ้าพระราชบิดาจะเสด็จไปจริงๆ หม่อมฉันก็จะตามเสด็จด้วยแม้เราทั้งสองจะไม่รอดชีวิตพระราชาตรัสว่าลูกรักนั่นเป็นธรรมของสัตว์ปรุหอย่างแท้จริงแต่เมื่อใดยักษ์โบริสาเท้าด่างข่มขี่ทำลายลูกแล้วย่างกินที่โคนต้นไม้ข้อนั้นพึงเป็นทุกข์ยิ่งกว่าการตายของพ่อเสียอีกพระราชกุมารกราบทูลว่าหม่อมฉันจักเอาชีวิตแลกเปลี่ยนชีวิตของเสด็จพ่อ เสด็จพ่ออย่าได้เสด็จไปสำนักยักโปริศาสร์เลยก็หม่อมฉันจากแลกเปลี่ยนเอาชีวิตของเสด็จพ่อนั้นไว้เพราะเหตุนั้นจึงขอยอมตายเพื่อชีวิตของเสด็จพ่อพระาศาสดาเมื่อจะประกาศความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นแลพระราชบุตรผู้ทรงมีพระปรีชาถวายบังคมพระยุคลบาทพระมานดาพระบิดาแล้วเสด็จไปพระมานดาของเท้าเธอทรงระทมทุกข์ ล้มลงที่พื้นปัทภีส่วนพระบิดานั้นเล่าทรงประคองพระพาหาทั้งสองแล้วทรงกันแสงและเมื่อจะประกาศสัจจะจึงได้ตรัสต่อไปอีกว่าพระบิดาทรงทราบชัดว่าพระโอรสกำลังมุ่งหน้าเสด็จไปจึงบ่ายพระพักต่อเบื้องพระปริศดางประคองอัญชลีนมัสการว่าลูกรักขอลูกจงมีเทพเหล่านี้คือเท้าโสมะเท้าวรุณ ท้าวประชาบดีพระจันทร์และสุริยเทพคุ้มครองขอลูกจงได้รับอนุญาตกลับมาจากสำนักยักษโปริศาทด้วยความสวัสดีพระชนนีทรงธรรมสัจจกิริยาว่าลูกรักมารดาของพ่อรามได้รับการคุ้มครองอย่างดีได้กระทําความสวัสดีอันใดให้แก่พ่อรามผู้ไปยังแคว้นของพระเจ้าทันต ก, กีแม่ขอกระทําความสวัสดีอันนั้นให้แก่ลูก ด้วยความสัตย์นี้ขอถวายเทพเจ้าโปรดระลึกถึงลูกขอลูกจงได้รับอนุญาตกลับมาด้วยความสวัสดีเถิดพระภคินีทรงทำสัจจะคริยาว่าน้องนึกไม่ออกเลยถึงการคิดประทุษร้ายเจ้าพี่อลินณสัตตุในที่แจ้งหรือที่ลับด้วยความสัตย์นี้ขอถวายเทพโปรดระลึกถึงเจ้าพี่ ขอเจ้าพี่ทรงได้รับอนุญาตกลับมาด้วยความสวัสดีเถิดพระชายาทรงทากริยาว่าขอเดชะพระสวามีก็เพราะพระองค์ไม่ได้ประพฤตินอกใจหม่อมฉันเลยฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นที่รักจากใจหม่อมฉันก็หาไม่ด้วยความสัตว์นี้ขอถวยเทพโปลดระลึกถึงพระองค์ขอพระองค์ทรงได้รับอนุญาตกลับมาด้วยความสวัสดีเถิด ลำดับนั้นยักษ์กล่าวว่าเจ้ามีร่างกายสูงใหญ่ใบหน้างามมาจากไหนเจ้าไม่รู้หรือว่าเราอยู่ในป่าใครๆเขาก็รู้จากเราผู้ชั่วร้ายว่าเป็นยักษ์กินคนมีใครเล่าเมื่อรู้ถึงความปลอดภัยพึงมาที่นี่พระราชกุมารตรัสว่านายพรานเรารู้ว่าท่านกินคนเราจะไม่รู้ว่าท่านอยู่ในป่าก็หาไม่ เราเป็นพระโอรสของพระเจ้าชัยทิต์เพราะต้องการจะปลดปลื้งพระบิดาวันนี้ท่านจงปล่อยพระบิดาจงกินเราเถิดยักษ์กลาบทูลว่าเรารู้ว่าท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าชัยทิต์เพราะใบหน้าและผิวพรรณของท่านทั้งสองคล้ายคลึงกันการที่บุคคลยอมตายเพื่อปลดปลื้งบิดาของตนนี้เป็นกรรมที่กระทาได้ยากแต่ท่านได้กระทาแล้ว พระราชะกุมารตรัสว่าในเรื่องนี้เราไม่ได้สําคัญว่าทําได้ยากอะไรนะักบุคคลใดยอมตายเพื่อปลดเปลื้องบิดาของตนหรือเพราะเหตุแห่งมารดาบุคคลนั้นไปสู่ปรโลกแล้วเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความสุขและอารมณ์อันเลิศพระราชะกุมารถูกยักถามถึงความไม่กลัวตายจึงตรัสว่าก็เราเระลึกไม่ได้สักนิดเดียว ถึงการกระทำความชั่วของตนทั้งในที่แจ้งหรือที่ลับเราเป็นผู้มีการเกิดและการตายตามกำหนดการพ้นจากความตายย่อมไม่มีในโลกนี้ชันใดในโลกหน้าก็ชันนั้นท่านผู้มีอนุภาพมากวันนี้ท่านจงกินเราบัตรนี้เถิดจงทํากิจที่ควรทากับสริระนี้หรือว่าเพื่อท่านเราจะตกจากยอดไม้ ท่านพอใจจงกินเนื้อของเราส่วนที่ท่านพอใจเถิดยักษ์ฟังพระดำรัดแล้วตกใจกลัวจึงกราบทูลว่าท่านราชบุตรถ้าท่านพอใจอย่างนี้ท่านจะสละชีวิตเพื่อปลดเปลื่องพระบิดาฉะนั้นท่านจงรีบหักฟืนก่อไฟให้พผลงขึ้นในที่นี้พระศาสดาเมื่อทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นแหลพระราชบุตรผู้ทรงปรีชา ได้รวบรวมฟืนก่อไฟกองใหญ่ขึ้นแล้วจึงตรัสบอกให้ยักษ์ทราบว่าบัดนี้ไฟกองใหญ่เราเรียกก่อแล้วพระราชะกุมารทรงเห็นเกริยของยักษ์นั้นจึงตรัสว่าบัดนี้ท่านจงข่มขีกินเราในวันนี้เถิดทำไมท่านจึงขนพองเพ่งดูเราบ่อยๆเรากระทาตามคาของท่านตามที่ท่านพอใจจะกินเรายักษ์กราบทูลว่า ใครเล่าควรที่จะกินคนผู้ดำรงอยู่ในธรรมมีปกติกล่าวคำสัตว์รู้ถ้อยคำของผู้ขอเช่นท่านบุคคลใดพึงกินคนผู้มีปกติกล่าวคำสัตว์เช่นนั้นแม้ศีรษะของบุคคลนั้นก็พึงแตกออกเจ็ดเสียงพระราชกุมารตรัสว่าเพราะศษ ะ, ะบัณฑิตนั้นสำคัญเท้าสักกเทวราชนี้ว่าเป็นพราหมณ์จึงได้ให้สิงอยู่ในสรีระของตนยักเพราะเหตุนั้นแล จันทิมะเทพประบุนั้นจึงมีรูปกระต่ายปรากฏอยู่ซึ่งให้ความพอใจแก่ชาวโลกตราบจนทุกวันนี้ยักษ์เมื่อจะปล่อยพระราชกุมารจึงกราบทูลว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พ้นจากปากราหูแล้วย่อมไพรโรดในดิถีเพน15บห้าขาฉันใดท่านผู้มีอนุภาพมากแม้ท่านก็ฉันนั้นพ้นแล้วจากยากโปรริศาสยังพระบิดาและพระมารดาให้ปลื้มพระไทย จงไพโรดในกครบินรัฐเถิด 13. อันหนึ่งขอพระประยุรญาติของพระองค์ทุกฝ่ายจงร่าเริงยินดีทั่วหน้าพระศาสดาทรงประกาศความนั้นว่าลำดับนั้นพระราชบุตรทรงพระนามอลีินะสัตตุผู้ทรงพระปรีชาทรงประคองอัญชลีถวายบังคมโปริสาดาบททรงได้รับอนุญาตเสด็จกลับกบินรัฐอย่างสุขสวัสดีและปลอดภยัย พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงกริยาที่ชาวมงคตถวายการต้อนรับพระราชกุมารจึงตรัสว่าชาวนิคมชาวชนบทพลช้างพลรถและพลเดินเท้าล้วนประคองอัญชลีเข้าเฝ้าถวายบังคมกราบทูลเท้าเถอว่าขอถวายบังคมแด่พระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้กระทำกิจที่ทำได้ยากชยทิสาชาดกที่สามจบ ชัดทันตะชาดกว่าด้วยพญาช้างฉัดทันพระราชาตรัสว่าพระน้องนางผู้มีเรือนร่างเหลืองอารามดุดทองคำผิวพันผุดพองในยนาก็แจ่มใสกว้างขวางใหญ่เล่าจึงเศร้าโศกสูบซีดไปดังดอกไม้ที่ถูกขยี้พระนางสุภัทรากราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชมอมฉันแพ้คัน มอมชั้นฝันเห็นนิมิตจึงแพ้คันชนิดที่หาได้ไม่ง่ายเลยพระราชาตรัสว่าสมบัติอันน่าใคร่ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของมนุษย์ในโลกที่น่าเพลิดเพลินนี้ทั้งหมดนั้นจำนวนมากของพี่พี่ขอมอบให้พระน้องนางตามที่แพ้พระคันพระนางสุภัทรากราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพขอในพรานทุกจาพวกที่มีอยู่ในแคว้นของเจ้าพี่ จงมาประชุมพร้อมกันหม่อมฉันจักบอกความแพ้คันของหม่อมฉันแก่พวกพรานเหล่านั้นว่าเป็นเช่นไรพระราชาตรัสบอกพรานเหล่านั้นแก่พระราชเทวีว่าพระเทวีนายพรานเหล่านี้ล้วน ม, มีความชํานาญแกล้วกล้าชํานาญป่าและรู้จักเนื้อดียอมสละชีวิตเมื่อพี่ต้องการพระราชเทวีตรัสกับพรานทั้งหลายว่าบุตรในพรานทั้งหลาย พวกท่านเท่าที่มาประชุมกันณที่นี้ขอจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ฝันเห็นพญาช้างเผือกงานมีรัสมีหกประการข้าพเจ้าต้องการงานของมันเมื่อไม่ได้ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่พวกบุตรในพระเนกราบทูลว่าขอเดชะพระราชบุตรีพญาช้างที่งามีรัสมีหกประการซึ่งพระนางได้ทรงสุบินเห็น บิดาของพวกข้าพระองค์ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินปู่ของพวกข้าพระองค์ก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินขอพระนางโปรดบอกพวกข้าพระองค์มาเถิดว่าพญาช้างนั้นเป็นเช่นไรบุตรในพรานเหล่านั้นกราบทูลต่อไปว่าทิศใหญ่สีทิศทิศน้อยสีทิศทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างสิบทิศเหล่านี้พญาช้างที่งามีรัศมีหกประการ ซึ่งพระนางด้วยทรงสุบินเห็นอยู่ทิศไหนพระนางสุภัต ร, ราราชเทวีทรงเหยียดพระหัตต์ตรงไปยังป่าหิมพานตรัสว่าจากนี้ตรงไปทิศอุดรข้ามภูเขาสูงใหญ่เจ็ดเทือกภูเขานั้นสูงใหญ่ชื่อว่าสุวรรณปัสสะคีรีมีพันบุพชาติบานสะพรั่งมีหมูกินนอนสัญจรไม่ขาสายท่านจงขึ้นไปยังเสละบรรพศ ซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่กินนอนแล้วจงมองลงไปเบื้องล่างเชิงเขาทันใดนั้นท่านจะเห็นพญาไซมีสีสันงามเสมอเหมือนเมฆมีย่านไซห้อยย้อยอยู่ 8,000 ันย่านณใต้ต้นไซนั้นพญากุญชรงามีรัศมีหกประการอาศัยอยู่ยากที่ใครอื่นจะค่มขี่ได้พญาช้างเผือกปลอดนั้นมีช้างประมาณ8 0 0พเชือกมีงางอนงามเหมือนงอนรถ วิ่งไล่ประหารปัจจามิตรเร็วปานลมพัดแวดล้อมรักษาอยู่ช้างเหล่านั้นยืนหายใจเข้าออกหน้าหวาดกลัวโกรธแม้ต่อลมที่มากระทบก็ถ้าเห็นมนุษย์ในที่นั้นต้องเคยี่ให้เป็นเท่าทุลีแม้ละอองทุลีก็มิให้แตะต้องพญาช้างนั้นครั้นได้ฟังดังนั้นโซนุตระพรานตกใจกลัวความตายจึงกราบทูลว่า ขอเดชะพระเทวีของข้าพระพุทธเจ้าเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำแก้วมุกดากแก้วมณีและแก้วไพทูลในราชาสกุลก็มีอยู่มากมายพระแม่เจ้าจะกระทำอะไรกับเครื่องประดับที่ทำเรื่องนาช้างพระแม่เจ้ามีพระประสงค์จะให้ข้าพญาช้างงามีรัศมีหกประการหรือจะให้พญาช้างข้าบุตรในพรานกันแน่พระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระราชเทวีตรัสว่า พ่อพรานเรานั้นมีทั้งความริษยาทั้งความน้อยใจเมื่อหวนระลึกถึงความหลังขึ้นมาก็ตรอมใจท่านจงช่วยทำตามความประสงค์ของเรานั้นด้วยเถิดพ่อพรานเราจะให้หมู่บ้านแก่ท่านห้าตำบลโซนุตรพรานนั้นรับพระสาวณีแล้วทูลถามว่าพญาช้างอาศัยอยู่ที่ไหนเข้าไปยืนอยู่ที่ไหนหนทางไหนเป็นหนทางที่พญาช้างเดินไปอาบน้า ก็พญาช้างนั้นอาบน้ำอย่างไรฉไหนเล่าข้าพระพุทธเจ้าจะรู้ความเป็นไปของพญาช้างนั้นได้พระราชเทวีตรัส บ, บอกถึงสถานที่ซึ่งจะพบช้างเผือกได้ว่าณสถานที่ที่พญาช้างอาศัยอยู่นั่นแลมีสะโบคหรณีอยู่ไม่ไกลหน้ารื่นรมมีท่าน้ำสวยงามทั้งมีน้ามากมีดอกปทุมบานสะพรั่งมีหมูพมครคลุกคล้าวเคสร อ, อยเป็นอาจิน พญาช้างนั้นลงอาบน้ำในสระโบครณีนี้แหละพญาช้างเผือกชํระศีษะแล้วทัดดอกอุบลมีร่างกายผิวพันผุดผ่องขาวราวกระดอกบุญทริกรื่นเริงบันเทิงใจให้พระนางสุภัทราเมเหสีเดินนำหน้าไปยังที่อยู่ของตนพระศาสดาเมื่อจะทรงขยายความให้แจ้งจึงตรัสว่าในพรานนั้นรับพระสวัีของพระนางที่ประสาชั้นที่เจ็ดนั้นแหละ แล้วจึงถือกระบอกลูกเกาทันและธนูคันใหญ่ไปพิจารณาคีรีบรรพศใหญ่ทั้งเจ็เทือกจึงเห็นคีรีบรรพศสูงใหญ่ชื่อว่าสุวรรณปัสสคีรีแล้วจึงขึ้นไปยังเสละบรรพศซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่ขินนอนมองลงไปเบื้องล่างเชิงเขาได้เห็นพญาไสยมีสีสันงามเสมอเหมือนเมฆมีย่านไซห้อยย้อยอยู่8ปดพันย่าน ณใต้ต้นไทรนั้นเขาได้เห็นพญากุญชรงามีรัศมีหประการยากที่ใครอื่นจะข่มขีได้พญาช้างเผือกนั้นมีช้างประมาณ 8,000 ันเชือกมีงางอนงามเหมือนงอนรถวิ่งไล่ประหารปัจจามิตรเร็วปานลมพัดแวดล้อมรักษาอยู่อันหนึ่งเขาได้เห็นสระบกกรณีอยู่ไม่ไกลน่ารื่นรมมีท่าน้ำสวยงามทั้งมีน้ำมาก มีดอกปทุมบานสะพรั่งมีหมู่พรมครคลุกคเคล้าเคสร อ, อยู่เป็นอาจินซึ่งเป็นสถานที่ที่พญาช้างนั้นลงอาบน้ำครั้นได้เห็นความเป็นไปการยืนและขนทางที่พญาช้างนั้นเดินไปอาบน้ำแล้วในพรานผู้ชั่วช้าถูกพระนางสุภัทราเทวีผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตทรงใช้มาจึงได้ไปขุดหลุมในพรานผู้มีนิสัยทากรรมหยาบช้าครั้นขุดหลุมแล้ว จึงปิดด้วยแผ่นไม้กระดานแล้วหย่อนตัวลงไปจับธนูยิงพญาช้างที่เดินมาข้างหลุมด้วยลูกเกาทันใหญ่ก็แหละพญาช้างพอถูกยิงก็บันเลอร้องก้องโกลจนาดช้างทั้งหมดก็พากันบันเลอเสียงอื้ออึงต่างพากันวิ่งไปมารอบๆทั้งแปดทิศทำาญ้าและไม้ให้แหลกเป็นจุนพญาช้างจับในพรานนั้นด้วยหมายใจว่าเราจะฆ่ามัน ได้เห็นผ้ากาสาวพั์อันเป็นธงชัยแห่งเรศีทั้งหลายทั้งทั้งที่ได้รับทุกเวทนาก็เกิดสัญญาขึ้นว่าบุคคลผู้ทรงธงชัยแห่งพระอรหันต์สัตว์บุรุษไม่ควรฆ่าพญาช้างกล่าวกับนายพรานนั้นว่าผู้ใดมีกิเลส ด, ดูดน้ำฝาดยังไม่หมดไปปราศจากธรรมะและสัจจะจักนุ่งห่มผ้ากาสาวพัผู้นั้นไม่สมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัเลย ส่วนผู้ใดคลายกิเลสดูดน้ำฝาดได้แล้วตั้งมั่นด้วยดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแหลสมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดพระาศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าพญาช้างถึงถูกยิงด้วยลูกเกาทันใหญ่แล้วก็ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายเดีกกล่าวกับนายพรานว่าเพื่อนรักเพื่อนต้องการอะไรหรือ เพราะอะไรเพื่อนจึงฆ่าเราหรือว่าใครใช้เพื่อนมาในพรางกล่าวว่าพญาช้างผู้เจริญพระมเหสีของพระเจ้ากาสีพระนางทรงพระนามว่าสุภัตราได้รับการยกย่องบูชาในราชสกุลก็พระนางด้วยทรงสุบินนิมิตเห็นท่านได้ตรัสบอกข้าพเจ้าและได้ตรัสกับข้าพเจ้า ว, ว่ามีความต้องการงานทั้งคู่พญาช้างกล่าวว่า ความจริงคู่งาของบิดาและปู่ของเราที่สวยงามมีเป็นจำนวนมากพระนางทราบดีแต่พระราชบุตรีมีนิสัยสงรงกลิวเป็นคนพานต้องการที่จะฆ่าเราจึงได้จองเวรลุกขึ้นเถิดในพรานท่านจงจับเลื่อยตัดงาคู่นี้ก่อนที่เราจะตายจงกราบทูลพระราชบุตรีผู้มีนิสัยสงรงกลิวพระองค์นั้นว่าพญาช้างถูกฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าตายแล้ว เชิญเถิดงาคู่นี้เป็นงาของพญาช้างนั้นพระเจ้าค่ะพระศ า, าสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่านายพรานนั้นลุกขึ้นจับเลื่อยตัดงาทั้งคู่ของพญาโคจารันตัวประเสริฐแล้วจึงนํางาทั้งคู่ซึ่งมีความสวยงามหาที่เปรียบไม่ได้ในพื้นปฐพีรีบหลีกไปจากที่นั้นโดยเร็วช้างเหล่านั้นถูกภัยคุกคามเป็นทุกข์เพราะพญาช้างถูกฆ่า ต่างพากันวิ่งไปมาทั้งแปดทิศไม่เห็นคนผู้เป็นปัจจามิต่อพญาช้างจึงได้กลับมาหาพญาช้างช้างเหล่านั้นต่างคร่ำครวญร้องห้อยู่ณที่นั้นโปรยฝุนลงที่ศรีรษะของตนทั้งหมดให้นางช้างตัวประเสริฐกว่าช้างทั้งหมดเดินนำหน้าแล้วพากันกลับไปสถานที่อยู่ของตนในพรานนั้นนำงาทั้งคู่ของพญาโคาจฉานตัวประเสริฐ ซึ่งมีความสวยงามหาที่เปรียบไม่ได้ในพื้นปัตตภีสรงรัศมีเปล่งปลั่งดังสายรุ้งทองสว่างสวัยไปทั่วไพรสนเข้าไปยังกรุงกาสีแล้วน้อมงาทั้งคู่เข้าไปถวายพระราชกัญญากราบทูลว่าพญาช้างถูกฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าแล้วงาคู่นี้เป็นงาของพญาช้างนั้นเพราะทอดพระเนรเห็นงาทั้งคู่ของพญากคจสารตัวประเสรศิฐ ซึ่งเป็นพัสดาที่รักในชาติบางก่อนพระหัตถไทยของพระนางก็ได้แตกทําลายนาสถานที่นั้นนั่นเองพระนางผู้เป็นคนพาลได้สวรรคตเพราะเหตุนั้นนั่นแหละพระเทระผู้สังขยนาพระธรรมเมื่อจะพรรณนาคุณของพระทศพลจึงได้กล่าวว่าก็พระบรมศาสด า, สดาทรงบรรลุสัมโพธิญาณทรงมีอนุภาพมากได้ทรงแย้มถํากลางบริสัท ภิกษุทั้งหลายผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้วพากันกราบทูลว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้กระทำการแย้มให้ปรากฏในเพราะสิ่งมีใช่เหตุไม่เธอทั้งหลายจงดูกุมารีสาวซึ่งครองผ้ากาสวพัส์ประพฤติเป็นผู้ไม่ครองเรือนภิกษุนีนั้นได้เป็นพระนางราชกัญญาในครั้งนั้นส่วนตถาคตได้เป็นพญาช้างในครั้งนั้น นายพรานผู้นำงานทั้งคู่ของพญาโคจสานตัวประเสริฐซึ่งมีความสวยงามหาที่เปรียบไม่ได้ในพื้นปัตภีเข้าไปยังกรุงกาศีเนการนั้นได้เป็นพระเทวทัตพระพุทธเจ้าทรงปราศ จ, จากความกระวกระวายความโศกและกิเลสดุดลูกสอนตรัสรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองได้ตรัสชัดทันตะชาดกนี้อันเป็นของเก่าที่ไม่รู้จักสาบศูนย์ตราบเท่าดวงอาทิตย์ยังไม่ดับ ซึ่งพระองค์ได้ท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานเป็นบุพพจริยาทั้งสูงและต่ำว่าภิกษุทั้งหลายโดยการนั้นเราตถาคตได้มีอยู่ที่สะฉัดทันนั้นเราตถาคตได้เป็นพญาช้างตัวประเสริฐในการนั้นเธอทั้งหลายจงจำชาดกไว้ด้วยประการชนี้ชัดทันตะชาดกที่สี่จบ 5. สัมภวะชาดก ว่าด้วยสัมภะกุมารพระราชาตรัสถามปัญหากับพราหมณ์สุจีรตะว่าท่านอาจารย์สุจีรตะเข้าพระเจ้าบรรลุถึงราชสมบัติและความเป็นอธิปดีแล้วแต่ยังปรารถนาเพื่อบรรลุถึงความเป็นใหญ่และเพื่อชนะทั่วทั้งปัตถพีนี้โดยธรรมมิใช่โดยอาธรรมเข้าพระเจ้าหาพอใจอธรรมไม่ท่านอาจารย์สุจีรตะพระราชาต้องประพฤติธรรมให้เป็นกิจอันสําคัญ ท่านพราหมณ์เพราะเหตุใดเราทั้งหลายจะไม่ถูกนินทาในโลกนี้และไปแล้วก็จะไม่ถูกนินทาและพึงถึงความมียศในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพราหมณ์เขาพระเจ้าปรารถนาจะกระทำตา ม, ตามอัดและธรรมเขาพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกอัดและธรรมนั้นด้วยเถิดสุจีรตพราหมณ์ไม่สามารถจะทนต่อปัญหาได้จึงกราบทูลว่าขอเดชะพระกติยราช พระองค์ทรงปรารถนาจะกระทำตามอัดและทำใดอัจและทำนั้นใครอื่นนอกจากวิทุระพราหม์หาคนที่จะกล่าวชี้แจงไม่พระราชาทรงประสงค์จะส่งสุจิรตะพราหม์ไปจึงตรัสว่ามาเถิดท่านอาจารย์สุจิรตะเขาพระเจ้าจะส่งท่านไปท่านจงไปยังสำนักวิทุระพราหมจงนำทองคำแท่งนี้ไปด้วยพึงมอบทองคำแท่งนี้กระทาให้เป็นเครื่องบูชา สำหรับคำสอนอัดและทำพระศาสดาเมื่อจะทรงเผยความนั้นจึงตรัสว่ามหาพรามพารัวาชะนั้นไปถึงสำนักวิทุรพรามแล้วได้เห็นวิทุรพรามนั้นกําลังบริโภคอาหารอยู่ในเรือนของตนสุจีระตะพรามถูกถามถึงเหตุที่มาจึงกล่าวว่าเราถูกพระเจ้าโกรพยะผู้ทรงยศทรงมาเป็นทูตพระเจ้าโกรพยะยุติทิละได้ตรัสอย่างนี้ว่า ท่านพึงถามอัดและทำรรวิทุระเพื่อนเราถามแล้วพอท่านจงบอกอัดและทำนั้นด้วยเถิดวิทุระพราหม์กล่าวว่าสหายพราหม์เราเกิดความขนขววยื้นว่าจงปิดกั้นแม่น้ำคงคาก็ไม่อาจจะปิดกั้นแม่น้ำใหญ่นั้นได้เพราะเหตุนั้นจะมีโอกาสได้อย่างไรเราถูกท่านถามถึงอัดและทำรรก็ไม่สามารถจะบอกท่านได้แต่พัทธการบุตรของเรา เป็นลูกในไส้เกิดแต่ตัวเราแท้ๆท่านจงไปถามอัดและทำกับเขาเถิดพรามพระาศาสดาเมื่อทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่ามหาพรามพารธวาชนะนั้นได้ไปถึงสำนักพัทรการะแล้วได้เห็นเขานั่งอยู่ในเรือนของตนสุจีระตะพรามจึงกล่าวว่าเราถูกพระเจ้าโกรพยะผู้ทรงยศทรงมาเป็นทูต พระเจ้าโกรพยยุธิทิระได้ตรัสอย่างนี้ว่าท่านพึงถามอัดและทรรมพัทระการะลานรักเจ้าจงบอกอัดและทรรมนั้นแกลุงเถิดพัทระการะพรามไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้จึงส่งเขาไปยังสำนักน้องชายชื่อสัญชัยกุมารว่าเขาพระเจ้าเหมือนคนละทิ้งหาบเนื้อติดตามเหียอยู่ถึงถูกท่านถามถึงอัดและทำรรก็ไม่อาจจะบอกแกท่านได้ ท่านพราหมณ์สุจิรตาผมมีน้องชายชื่อว่าสัญชัยเขาเป็นน้องชายของผมท่านจงไปถามอัดและทำกับเขาเถิดพระศาสดาทรงประกาศความนั้นว่ามหาพราหมณ์พารัตวาชะนั้นไปถึงสำนักสัญชัยแล้วได้เห็นเขานั่งอยู่ในเรือนของตนจึงกล่าวว่าเราถูกพระเจ้าโกรพยะผู้ทรงยศทรงมาเป็นทูตพระเจ้าโกรพยะยุธทธิทิละได้ตรัสอย่างนี้ว่า ท่านพิงถามอัดและทำสัญชัยหลานรับลุงถามแล้วขอเจ้าจงบอกอัดและทำนั้นด้วยเถิดสัญชัยกุมารกล่าวว่าท่านพราหมณ์สุจีรตะพญามาจุราชย่อมกลืนกินข้าพเจ้าทุกมือทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าข้าพเจ้าถูกท่านถามอัดและทำก็ไม่อาจจะบอกแก่ท่านได้ท่านพราหมณ์สุจีรตะข้าพเจ้ามีน้องชายชื่อว่าสัมภวะเขาเป็นน้องชายของข้าพเจ้า ขอท่านจงไปถามอัดและธรรมกับเขาเถิดสุจีรตะพราหมณ์กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอปัญหาธรรมนี้พวกเรายังไม่พอใจบิดาและบุตรทั้งสามคนนั้นก็ยังไม่มีปัญญาจะยังรู้ถึงปัญหาธรรมนี้เลยท่านทั้งสามคนถูกถามถึงอัดและธรรมนั้นก็ไม่อาจจะบอกได้ฉไนเล่าเด็กถูกถามถึงอัดและธรรมจะพึงรู้ได้ สันชัยกุมารได้ฟังดังนั้นจึงสรรเสริญสัมภวะกุมารว่าท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก่อนแล้วอย่าพึ่งเข้าใจเธอว่าเป็นเด็กพราหมณ์ท่านถามสัมภวะกุมารแล้วพึงรู้อัดและทำได้ดวงจันทร์ปราศจากมณทินโคจรไปในอากาศธาตย่อมสว่างสวายกว่าหมู่ดาวทั้งสิ้นในโลกด้วยรัศมีแม่ฉันใดสัมภวะกุมารถึงยังเป็นเด็กก็ฉันนั้น เพราะประกอบด้วยปัญญาท่านยังไม่ได้ถามสัมภวกมุมานก่อนแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจเธอว่าเป็นเด็กพราหม์ท่านถามสัมภวกมุมานแล้วพึงรู้อัดและทำได้ท่านพราหม์เดือนจิตมารแห่งคิมหันตะรุดูย่อมงามยิ่งนักกว่าเดือนอื่นๆด้วยต้นไม้และดอกไม้แม้ฉันใดสัมภวกมุมานถึงยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นเพราะประกอบด้วยปัญญา ท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก่อนแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กพราหม์ท่านถามสัมภวะกุมารแล้วพึ่งรู้อัดและทำได้ท่านพราหม์หิมวันตะบรรพศชื่อคันธมาศดาระดาษไปด้วยต้นไม้นานาพันเป็นที่อยู่แห่งหมู่มหาพูดย่อมสว่างสวัยและตลบอบอวลไปทั่วทิศด้วยทิพยะโอสดแม้ฉันใดสัมภวะกุมารถึงยังเป็นเด็กก็ฉันนั้น เราประกอบด้วยปัญญาท่านยังไม่ได้ถามสัมภะกุมารก่อนแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจเธอว่าเป็นเด็กพราหม์ท่านถามสัมภะกุมารแล้วพึงรู้อัดและทาได้ท่านพราหม์ไฟป่ามีเปลเวไฟเป็นช่อเรืองโรดลุกโพลงอยู่ที่กอไม้ในป่าไม่อิ่มต่อเชื้อเพลิงมีทางดากินเปลี่ยงเป็นอาหารมีควันเป็นธงไม่ลามจนถึงยอดไพรสน มีเชื้อไฟเพียงพอโชคช่วงอยู่บนยอดภูเขาในเวลากลางคืนฉันใดสมภวะกุ ม, มารถึงยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นเพราะประกอบด้วยปัญญาท่านยังไม่ได้ถามสมภวะกุ ม, มารก่อนแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจเือว่าเป็นเด็กพราหม์ท่านถามสมภวะกุ ม, มารแล้วเพิ่งรู้อัดและทำได้ม้าดีจะรู้ได้เพราะความว่องไว โคภริพัตจะรู้ได้ในเมื่อมีภาระที่จะต้องลากไปแม่โคโนมจะรู้ได้เพราะน้ํานมและบัณฑิตจะรู้ได้เมื่อเจรจาชั้นใดสัมภวะกุมารถึงยังเป็นเด็กก็ฉันนั้นเพราะประกอบด้วยปัญญาท่านยังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารก่อนแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจเธอว่าเป็นเด็กพราหมณ์ท่านถามสัมภวะกุมารแล้วพึงรู้อ่านและทําได้ พระศาสดาเมื่อทรงเปิดเผยความนั้นจึงตรัสว่ามหาพรามพารัวาชะนั้นไปถึงสำนักสัมภักุมารแล้วได้เห็นเขากำลังเล่นอยู่นอกบ้านสุจิรตะพรามได้ถามปัญหาว่าเราถูกพระเจ้าโกรพยะผู้ทรงยศส่งมาเป็นทูตพระเจ้าโกรพยะยุทธิทีละได้ตรัสอย่างนี้ว่าท่านพึงถามอัดและทำพ่อหนูสัมภะลุงถามเจ้าแล้ว ขอเจ้าจงบอกอัดแลรทำนั้นด้วยเถิดสามพะวะกุมารกล่าวว่าเอาเถิดเขาพเจ้าจะบอกลุงตามอย่างคนที่ฉลาดก็พระราชาย่อมจะทรงทราบปัญหานั้นได้แต่จะทรงกระทําหรือไม่เท่านั้นและเมื่อจะบอกปัญหาจึงกล่าวว่าท่านพราหมณสุจีรตะใครๆถูกพระราชาตรถามแล้วพึงกราบทูลราชกิจที่จะทําในวันนี้ว่าพึงทําในวันพรุ่งนี้ ขอพระเจ้ายุธิทิละอย่าทรงเชื่อฟังยับยั้งอยู่เลยในเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นท่านพราหมณ์สุจีรตะใครๆถูกพระราชาตรัสถามแล้วพึงกราบทนปัญหาที่เป็นไปภายในเท่านั้นไม่พึงให้ทรงดำเนินไปสู่หนทางที่ชั่วดุดคนหลงหาความคิดมิได้พระราชาไม่ควรลืมตนไม่ควรประพฤติธอธรรมไม่ควรย่างลงไปในลัทธิที่ผิดไม่พึงประกอบในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ ขัติยะราชาพระองค์ใดทรงรู้จักทำเหตุเหล่านี้ขัติยะราชาพระองค์นั้นย่อมทรงเจริญทุกเมื่อเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นพระองค์ย่อมทรงเป็นที่รักแห่งหมพระญาตและทรงรุ่งโรจน์ในหมมิตรทรงมีพระปรีชามีพระวรากายแตกทำลายไปจะทรงเข้าถึงโลกสวรรค์สามพะวชชาดกที่ห้าจบ 6. มหากปิชาดก ว่าด้วยพยาวานนพระศาสดาทรงประกาศเนื้อความนี้ว่าได้มีพระราชาแห่งชนชาวกาสีทรงพรดุงรัฐให้เจริญในกรุงพราราณสีแวดล้อมด้วยมิตรและอมารดได้เสด็จไปยังมิคาชิ น, นะอุทยานณนะที่นั้นได้ทอดพระเนรเห็นพรามเป็นโรคเรื้อนขาวพราวเป็นจุดจุดและกลากเลื่อน มีเนื้อหลุดออกจากปากแผลเช่นกับดอกทองกวาวมีร่างกายพายผมสะพรั่รงไปด้วยเส้นเอ็นครั้นทอดพระเนตรเห็นคนตกยากถึงความลำบากน่าสงสารยิ่งนักพระราชาทรงหวาดหวั่นพระหฤทัยจึงตรัสถามว่าเจ้าเป็นยักษ์ประเภทไหนมือและเท้าของเจ้าก็ด่างสีสษะยิ่งดางกว่านั้นเนื้อตัวของเจ้าก็ดางพ้อยและมากไปด้วยกลาเกลื่อน ลหลงของเจ้าเป็นปุ่มเป็นปมเหมือนกับเถาวันที่ขดกลมอวัยวะของเจ้าก็เหมือนกับเถาวันที่มีข้อดำเรายังไม่เคยเห็นอะไรอื่นเป็นเช่นนี้เจ้ามีเท้าหงิกงอหน้าหวาเสียวมีร่างกายผ่ายพร้อมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นดูหิวกระหายอดโซเจ้ามาจากที่ไหนและจะไปไหนเจ้ามีรูปร่างอัปลักษณ์ดูน่าเกลียดผิวพรรณก็ซามดูน่ากลัว มานดาบิดาผู้ให้กําเนิดของเจ้าคงไม่ปรารถนาที่จะเห็นเจ้าเลยในชาติปางก่อนเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ได้ฆ่าคนที่มีควรฆ่าหรือหรือเพราะทำกรรมอันโหดร้ายทารุณอย่างใดไว้เจ้าจึงประสบทุกอย่างนี้ต่อแต่นั้นไปพราหมณ์จึงกล่าวว่าเชิญสดาบเถิดพระเจ้าค่าข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบตามอย่างคนฉลาด เพราะบัณฑิต ท, ทั้งหลายในโลกนี้สันเสริญคนพูดความจริงเมื่อข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียวเที่ยวแสวงหาโคได้หลงล่วงเลยเข้าไปในป่าเปลวที่แห้งแล้งกันดารเงียบสงัดซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแห่งช้างนาน า, นาชนิดข้าพระพุทธเจ้าได้หลงทางเข้าไปในป่าทึบซึ่งเป็นที่สัญจรไปมาแห่งเนื้อร้ายมีความหิวกระหายได้ท่องเที่ยวไปในป่านั้นตลอดเจดวันณที่ป่านั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งซึ่งอยู่มินเมมีกิ่งทอดตรงไปยังปากเหวมีผลดกข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะกินข้าพระพุทธเจ้ากินผลที่ลมพัดหลน่นข้าพระพุทธเจ้าพอใจผลมะพร้าวเหล่านั้นมากแต่ยังไม่อิ่มจึงปีนขึ้นไปบนต้นด้วยคิดว่าจะกินให้สบายบนต้นนั้นข้าพระพุทธเจ้ากินผลหนึ่งแล้วปรารถนาผลที่สองต่อไป แต่นั้นกิ่งมันได้หักเหมือนถูกขวานตัดข้าพระพุทธเจ้านั้นพร้อมทั้งกิ่งไม้มีเท้าชี้ฟ้าศีรษะปักลงตกไปในซอกเขาซึ่งไม่มีที่จะยึดเหนี่ยวก็เพราะน้ําลึกข้าพระพุทธเจ้าจึงยังไม่ถึงนอนทอดอะไรอยู่ในซอกเขานั้นไม่น้อยกว่าสิบราตรีต่อมาว่านอนตัวหนึ่งมีหางคล้ายหางโคท่องเที่ยวไปมาตามซอกเขาเป็นประจำ ไปตามกิ่งไม้กัดกินผลไม้อยู่ได้มาถึงสถานที่นั้นมันเห็นข่าพระพุทธเจ้ามีร่างกายผอมเหลืองได้มีความกาลูนแก่ฆ่าพระพุทธเจ้าถามไถ่ว่าท่านผู้เจริญท่านชื่ออะไรทําไมจึงมาทนทุกข์อยู่ณที่นี้อย่างนี้เป็นมนุษย์หรืออมนุษย์จงแนะนําตัวให้ข้าพเจ้าทราบด้วยข่าพระพุทธเจ้าได้ประนมอัญเชลีแล้วกล่าวแก่มันอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ประสบความพินาศข้าพเจ้าไม่มีทางที่จะไปจากที่นี่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอบอกให้ท่านทราบขอท่านจงมีความเจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยวานอนผู้กล้าหาญเที่ยวไปหาก้อนศิลาที่มีน้ำหนักที่ภูเขาผูกเท้าวันที่ก้อนศิลาแล้วได้ยกกล่าวคำนี้ว่ามาเถิดมาขึ้นเกาะหลังข้าพเจ้า ท่านจงใช้แขนทั้งสองข้างกอดคอข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าจะใช้กำลังช่วยท่านขึ้นจากซอกเขาข้าพระพุทธเจ้าสดับย์คำนั้นแล้วจึงขึ้นเกาะแหลงพยาวานอนผู้มีสิริเป็นปลาตนนั้นแล้วใช้แขนทั้งสองกอดคอมันไว้พยาวานอนผู้มีเดชมีกำลังตนนั้นมีความลําบากกระโดดพาฆ่าพระพุทธเจ้าขึ้นจากซอกเขานั้นด้วยความยาก ครั้นนาฆ่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วพยาวานอนผู้เป็นบัณฑิตกล้าหาญได้กล่าวคํานี้ว่าเพื่อนรักท่านโปรดรักษาความปลอดภัยให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะหลับสักครู่หนึ่งสิงโตเสือโคร่งเสือเหลืองหมีหมาป่าและเสือดาวพึงเบียดเบียนข้าพเจ้าผู้หลับไปท่านเห็นพวกมันจงห้ามกันไว้ด้วยพยาวานอนนั้นครั้นฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ป้องกันแล้ว จึงหลับไปครู่หนึ่งครั้งนั้นข้าพระพุธเจ้ากลับด้ความคิดเห็นชั่วช้าโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบว่าวานอนนี้ก็เป็นอาหารของพวกมนุษย์เช่นเดียวกับเนื้ออื่นๆในป่าเหมือนกันถ้าะไรเราหิวพึ่งข้าววานอนนี้กินอันหนึ่งเราบริโภคอิ่มแล้วจกถือเอาเนื้อเป็นสเสบียงเดินทางจากข้ามทางกันดา n และเราจะมีสเสบียงเดินทางทันใดนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงหยิบก้อนหินแล้วทุ่มลงไปยังกระหม่อมวานอนแต่การประหารของข้าพระพุทธเจ้าผู้มีร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเพราะอดอาหารจึงมีกำลังด้อยไปก็พยาวานอนนั้นทะลึ่งขึ้นโดยเร็วเพราะกำลังก้อนหินที่ทุ่มลงไปมีตัวอาบไปด้วยเลือดร้องไห้มองดูข้าพระพุทธเจ้าด้วยดวงตาซึ่งเต็มไปด้วยน้าตาพลางกล่าวว่าท่านอย่าทำข้าพระเจ้าเลย ขอท่านจงมีความเจริญท่านอย่าได้กระทำกรรมอันไม่สมควรเช่นนี้อันหนึ่งท่านได้ชื่อว่ามีอายุยืนยาวควรจะห้ามปรามคนเหล่าอื่นท่านคนผู้กระทำกรรมที่คนอื่นทำได้ยากนักน่าอนาจริงนอเราช่วยท่านขึ้นจากเวลึกที่ขรุขระยากที่จะขึ้นได้เช่นนี้ท่านเป็นดุดเรานำมาจากปรโลกยังสำคัญเราว่าเป็นคนควรประทุษร้าย ท่านนั้นเป็นคนชั่วมีสันดานชั่วช้าจึงคิดแต่เหตุที่ชั่วนั้นโอ้ท่านผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมขอท่านอย่าประสบเวทนาอันเผ็ดร้อนเลยขอบาปธรรมอย่าได้ฆ่าท่านเหมือนคุยไผ่ฆ่าต้นไผ่เลยแน่ท่านผู้มีบาปกรรมไม่สำรวมเราไม่ไว้ใจท่านมาเถิดท่านจงตามหลังเราไปใกล้ๆพอเห็นกัน ท่านพ้นแล้วจากเงื้อมือของสัตว์ร้ายถึงถิ่นมนุษย์แล้วนี่แน่ท่านผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนั่นหนทางท่านจงไปทางนั้นตามสบายเถิดครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ววานอนผู้มีปกติท่องเที่ยวไปตามขุนเขาล้างศรีรษะที่เปื้อนเลือดเช็ดน้ำตาแล้วกระโดดจากที่นั้นขึ้นไปยังภูเขาข้าพระพุทธเจ้านั้นถูกวานอนนั้นแช่งด่าถูกความกรนกระวายเบียดเบียน มีกายเร่าร้อนจึงลงไปยังสายน้ำเพื่อจะดื่มห่วงน้ำทั้งปวงปรากฏแกายข้าพระพุทธเจ้าเหมือนเดือดพล่านเพราะไฟเจือด้วยโลหิตเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองหยาดน้ำมีประมาณเพียงใดตกต้องกายของข้าพระพุทธเจ้าหัวฝีมีขนาดเท่าผลมะตูมครึ่งผลก็ผุดขึ้นมีประมาณเพียงนั้น ฟีเหล่านั้นแตกแล้วน้ำเลือดและน้ำหนองไหลออกจากร่างกายของข้าพระพุทธเจ้าประดุดซากศพข้าพระพุทธเจ้าจะไปทางใดจะเป็นหมู่บ้านและนิคมทั้งหลายก็ตามพวกมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายถูกกลิ่นเหม็นรบกวนต่างถือท่อนไม้ห้ามกันฆ่าพระพุทธเจ้าว่าเจ้าอย่ามาทางนี้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าสวยกรรมของตนที่ตนเองกระทาไว้ไม่ดีในปางก่อน พระพุทธเจ้ามีทุกเช่นนี้อยู่อย่างนี้ตลอดเจดปีเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงขอกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายเท่าที่มาประชุมกันณที่นี้ขอพระองค์อย่าทรงเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเลยเพราะคนประทุษร้ายมิตรจัดเป็นคนเลวบุคคลใดในโลกนี้ย่อมประทุษร้ายมิตรบุคคลนั้นย่อมเป็นโรคเรื้อนโรคกลาบเกลื่อน คนผู้มีปกติประทุสรายมิตรเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกมหากปิชาดกที่หจบเจ็ดทักะรักษาชาดกว่าด้วยผีเสื้อน้ำเพรีปริภาชิกากล่าวปัญหาของรากสดว่าถ้าว่ามหาะพิตรทั้งเจ็ดพระองค์กำลังลอยเรืออยู่ในห่วงน้ำผีเสื้อน้ำผู้สแสวงหา ม, มนุษย์เป็นเพลียกรรมยึดเรือไว มหาบาพิษจะทรงสละให้ผีเสื้อน้ำตามลำดับอย่างไรพระราชาสับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าโยมจะให้พระมารดาเป็นอันดับหนึ่งให้พระมเหสีแล้วให้อนุชาแต่นั้นจะให้พระสหายแล้วจะให้ปุโรหิตพรามเป็นอันดับที่ห้าจะให้ตนเองเป็นอันดับที่หแต่จะไม่ให้มโหสถบัณฑิตเพรีปริภาชิ ก, กากล่าวคุณของมารดาว่า พระราชชนนีของมหาิพิธทรงบำรุงเลี้ยงให้กำเนิดและทรงเอนดูช่วยเหลือตลอดกาลนานเมื่อมหาิพิธถูกฉับพล พ, พรามณ์ประทุษร้ายพระนางทรงเป็นบัณฑิตคิดเห็นประโยชน์จึงทรงกระทำสิ่งอื่นแทนมหาิพิธปลดเปลื้องมหาปพิธจากการถูกลอบลงพระชนพระราชมารดา น, นั้นทรงประทานพระชนชีพทรงคันพระโอรสเช่นนั้น เพราะโทษอะไรมหาปพิธจึงจะประทานให้ผีเสื้อน้ําพระราชาตรัสโทษของพระมารดาว่าพระมารดาของโยมประดับเครื่องอลังการที่มีควรประดับเหมือนเด็กสาวกระซิบกระซีบกับคนเฝ้าประตูและคนชั้นต่ําเกินขอบเขตอันหนึ่งทรงส่ทงทูตไปยังพระราชาฝ่ายอื่นเสียเองเพราะโทษนั้นโยมจะพึงให้พระมารดาแก่รากสด เพรีปริภาชิกากล่าวคุณของพระนางนันทาเทวีว่าพระนางนันทาเทวีผู้ประเสริฐกว่ามู่สนมนารีมีพระสาวณีน่ารักทรงอนุวัตตามมหาบาพิษเป็นผู้ทรงศีลมิได้ทรงเหิร์นทางมหาบาพิษประดุจพระชายาโดยส่วนเดียวปราศจากความกลิว้วโกรธทรงมีบุญฉลาดทรงล็งเห็นประโยชน์เพราะโทษอะไร มหาปพิธจะประทานมเหสีให้ผีเสื้อน้ำพระราชาตรัสโทษของนางนันทาเทวีว่าพระนางนันทาเทวีนั้นชอบขอทรัพย์ที่ไม่ควรขอกับโยมพูดถึงความร่าเริงเย็นดีผู้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อโอรสและธิดาของตนโยมนั้นมีความกำหนดจึงยอมให้ทรัพย์ทั้งมีค่ามากและมีค่าน้อยเป็นจานวนมาก ครั้นยอมให้ทรัพยากที่จะสละได้แล้วภายหลังจึงเศร้าโศกเสียใจเพราะโทษนั้นแหละโยมจะพึงให้มเหสีแขถีเสื้อน้ำเพรีปริภาิกาทูลถามต่อไปว่าพระกนิษฐาพาดาพระองค์ใดทรงยังชนบทให้เจริญเชิญเสด็จมหาปิพิตกบพระราชมเทียและทรงครอบงำนำรั์จากราชสมบัติอื่นมาถวายเป็นจานวนมาก พระกณิษฐาพาดาพระองค์นั้นประเสริฐกว่านายขมังทนูทั้งหลายสงกล้าหารมีพระปรีชาเฉียบแหลมเพราะโทษอะไรมหาปิพิธจึงจะประทานให้แก่ผีเสื้อ น, น้ำเล่าพระราชาตรัสโทษของพระกณิษฐาพาดาว่าอนุชาใดของโยมผู้ยังชนบทให้เจริญนำโยมกลับพระราชมนเทียนและครอบงำนำทรัพย์จากราชสมบัติอื่นมาให้เป็นจานวนมาก อนุชานั้นประเสริฐกว่านายขมังธนูทั้งหลายกล้าหาญและมีปัญญาเฉียบแหลมยังเป็นเด็กแต่ดูหมินโยมว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงเป็นสุขเพราะเราพระแม่เจ้าเขาไม่มาแม้สู่ที่บำรุงของโยมเหมือนก่อนเพราะโทษนั้นโยมจะพึงให้อนุชาแก่ผีเสื้อน้ำเพรีปริภาชิกาบอกคุณของพระสหายนั้นว่ามหาปพิธและธนุเสขะกุมาร ทั้งสองกำเนิดราตรีเดียวกันทั้งสองเกิดในพระนคร น, นี้เป็นชาวปัญจาลนาครเป็นสหายกันมีวัยเสมอกันกุมารนั้นติดตามมหาปพิธ ท, ท่องเที่ยวไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมหาปพิธมีความขยันขนขวายในราชกิจทุกอย่างของมหาปพิธ ท, ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะโทษอะไรมหาปพิธจึงจะประทานสหายให้ผีเสื้อน้าเสียเล่า พระราชาตรัสโทษของพระสหายว่าพระแม่เจ้าธนุเสกุมา น, นี้หัวเราะดังกับโยมเมื่อท่องเที่ยวไปกับโยมแม้วันนี้เขาก็ยังหัวเราะดังเกินขอบเขตแบบนั้นพระแม่เจ้าโยมแม้กำลังปรึกษากับพระเทวียอยู่ในที่ระหโหฐานธนุเสกุมานยังไม่ทันบอกกล่าวยังไม่ทันให้โยมรู้ตัวก่อนก็พรวดพราดเข้าไปเขาได้ช่องได้โอกาส เพราะโทษนั้นโยมจึงจะให้สหายผู้ไม่มีความละอายไม่เอื้อเฟื้อแก่ผีเสื้อน้ำเพรีปริภาชิกาบอกคุณของเกวัตตาปโรหิตว่าท่านเกวัตตาปโรหิตเป็นผู้ฉลาดในนิมิตทุกอย่างรู้สำเนียงเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงเชี่ยวชาญในคำผีพระเวทเชี่ยวชาญในเรื่องลางบอกเหตุในความฝันชนานาญในการหาเรยามในการเคลื่อนพลและเข้าประชิด สามารถรู้โทษและคุณทั้งในภาพพื้นดินและอากาศเป็นผู้ฉลาดในคลองแห่งนักษัตย์เพราะโทษอะไรมหาปพิธจึงจะประทานปุโรหิตพรามให้แก่ผีเสื้อน้ำเสียเล่าพระราชาตรัสโทษของปุโรหิตพรามว่าพระแม่เจ้าแม้ทํากลางบริษัทปุโรหิตพรามก็ลืมตาจ้องมองโยมเพราะเหตุนั้นโยมจะให้ปุโรหิตผู้หยาบช้า คล้ายกับเลิกคิวมองดูโยมแก่ผีเสื้อน้ำเสียเพรีปริภาชิกาทูลถามต่อไปอีกว่าพระองค์ทรงครอบครองแผ่นดินมีสมุดเป็นขอบเขตมีสาคร ล, ล้อมรอบประดุดต่างหูทรงมีหมู่อมาตแวดล้อมทรงมีแคว้งกว้างใหญ่ไพศาลมีมหาสมุรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงพิชิตสงครามมีพลานุภาพมากทรงเป็นเอกราชเหนือพื้นปัตภภีมหาบพิษ ทรงมีพระอิสริยยศอันไพยบู์ทรงมีเหล่านารีจากชนบทต่างๆถึงหนึ่งมืนหกพันนางล้วนประดับด้วยแก้วมุกดาและต่างหูแก้วมณีงามเปรียบได้กับเทพกัญญาขอถวายพระพรพ ร, พระบ ร, รมกษัตริย์ชีวิตยืนยาวที่เพียบพร้อมด้วยองค์สมบัติทุกอย่างนี้นักปราชทั้งหลายกล่าวว่าเป็นที่รักของคนที่มีความสุขผู้เพียพร้อมด้วยสมบัติที่น่าปรารถนาทุกอย่าง เมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องอะไรหรือเหตุไฉนมหาปพิษจึงทรงสละพระชนชีพที่สละได้ยากคอยตามป้องกันบัณฑิตเล่าพระราชาตรัสบอกคุณของมโหสถบัณฑิตว่าพระแม่เจ้าเพราะท่านมโหสถแม้มาสูงเงื้อมือโยมแล้วโยมยังไม่ทราบถึงความชั่วของท่านปราดแม้สักเพียงอนูหนึ่งถึงแม้ว่าโยมจะต้องตายไปก่อนในการไร่ก็ตามท่านมโหสถ ก็จะพึงช่วยลูกและหลานของโยมให้มีความสุขท่านมโหสถเห็นแจมแจ้งประโยชน์ทุกประการทั้งอนาคตและปัจจุบันโยมจะไม่ยอมให้ท่านมโหสถผู้ไม่เคยทําความผิดแก่ผีเสื้อน้ำเพรีปริพาชิกาเชิญชาวพระนครมากล่าวว่าชาวปัญจาละทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสะดับพระดํารัสของพระเจ้าจูลนีนี้พระองค์ทรงสละพระชนชีพที่สละได้ยาก คอยตามป้องกันบัณฑิตพระเจ้าปัญจาละทรงสละชีวิตของพระชนนีพระมเหสีพระกนิษฐาพาดาพระสหายและพราหมุโลหิตและแม้ของพระองค์เองรวมเป็นหกคนปัญญาให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่หลวงเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนเป็นเหตุให้เกิดแต่สิ่งที่ดีย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมป라이ภพ ด้วยประการศนี้ทกะรักษะชาดกที่เจจบ 8. ปัญทรกะนาคราชาชาดกว่าด้วยปัญทรกะนาคราชปัญทรกะนาคราชคร่ำครวญว่าภัยที่ตนเองก่อขึ้นย่อมติดตามคนไร้ปัญญาพูดจาพล่อยๆไม่ปกปิดความรู้ขาดความระมัดระวังไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ เหมือนพญาครุฑไล่จับปันธระกะนาคราตนรชนใดพอใจบอกมนที่ลี้ลับที่ตนควรจะปกปิดรักษาเพราะความเขาภัยย่อมติดตามเขาผู้เปิดเผยมนโดยพลันเหมือนพญาครุฑไล่จับปันธระกะนาคราชมิตรเทียมไม่ควรจะรู้เนื้อความสําคัญซึ่งเป็นความลับแต่มิตรแท้ผู้ไม่รู้หรือรู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรจะรู้ความลับนั้น เราไว้ใจอาเจละกะชีเปลยว่าผู้นี้เป็นสมณะชาวโลกนับถืออบรมตนดีแล้วได้เปิดเผยความลับแก่เขาจึงล่วงเลยประโยชน์ร้องไห้อยู่อย่างลำเคงพยาครุฑผู้ประเรสริฐสาหรับเขาข้าพเจ้าไม่อาจจะระวังวาจาที่เร้นลับอย่างยิ่งนี้ได้เพราะเหตุนั้นไพจากฝ่ายเขาจึงมาถึงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงล่วงเลยประโยชน์ร้องไห้อยู่อย่างลำเคง นรชนใดสำคัญผู้นี้ว่าเป็นคนมีใจดีบอกความลับเก็บคนที่เกิดในสกุลต่ำทามเพราะความรักความชังหรือเพราะความเกรงกลัวนรชนนั้นเป็นคนโง่ต้องย่อยยับโดยไม่ต้องสงสัยนรชนใดมีปกติพูดนอกเรื่องนับเนื่อเข้าในพวกอสัตบุรุษชอบกล่าวถ้อยคาในที่ประชุมชนนรชนนั้นปรากกล่า ว, ว่า คนมีพิษร้ายปากเสียควรระมัดระวังคนเช่นนั้นให้ห่างไกลเขาพระเจ้าได้ละทิ้งสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมดไปแล้วคือข้าวน้ำผ้าแคว้นกาสีจุนแก่นจันแดงหญิงที่เจริญใจพวงดอกไม้และเครื่องฉลมทาข้าแต่พญาครุฑเขาพระเจ้าขอมอบชีวิตแก่ท่านพญาครุฑกล่าวคาถาตำหนิปันธรกะนาคราชว่า บรรดาเราทั้งสามในที่นี้ใครหนอย่อมถูกตำนหนินาคราชเราทั้งหลายเป็นสัตว์มีชีวิตในโลกนี้คือสมณะครุฑหรือว่าท่านกันแน่ย่อมถูกตำนนกหนิปัรธรกะนาคราชท่านถูกข้าพเจ้าจากเพราะเหตุใดปัญธรกะนาคราชฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าอาเจลกะนั้นเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ายกย่องว่าเป็นสมณะเป็นที่รักของข้าพเจ้า และวข้าพเจ้ายกย่องด้วยใจจริงข้าพเจ้าจึงได้เปิดเผยบอกความลับแก่เขาจึงได้ล่วงเลยประโยชน์ร้องห้าอยู่อย่างลำเค็นพญาครุฑกล่าวว่าแท้จริงสัตว์ชื่อว่าจะไม่ตายไม่มีในแผ่นดินปัญญามีอยู่หลายอย่างบุคคลไม่ควรนินทานรชนในโลกนี้ย่อมบรรลุคุณวิเศษที่ยังไม่บรรลุได้ด้วยสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งปัญญาหนึ่ง ธรรมะหนึ่งมารดาบิดานับว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมแห่งเผ่าพันธุ์บุคคลที่สามผู้ช่วยเหลือเขาไม่มีเมื่อเราแวงสงสัยว่าความลับที่ปรึกษาวไว้จะแตกก็ไม่พึงบอกความลับที่สำคัญแม้แก่มารดาบิดาเหล่านั้นเมื่อสงสัยว่ามวนจะแตกทำลายบัณฑิตไม่พึงบอกความลับที่สำคัญแม้แต่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชาย เพื่อนสหายหรือญาติพวกพ้องของตนถึงพันยาจะยังสาวผู้จาา่าไพเราะถึงพร้อมด้วยบุตรทีดามีรูปร่างสวยงามมีเกียรติยศชื่อเสียงมีหมู่ญาติแวดล้อมพูดอ้อนสามีเมื่อสงสัยว่าความลับที่ปรึกษาไว้จะแตกบัณฑิตไม่พึงบอกความลับที่สำคัญแม้แก่นางบัณฑิตไม่พึงเปิดเผยความลับพึงรักษาความลับนั้นไวเหมือนรักษาขุมทรัพย์ เพราะว่าความลับบุคคลรู้อยู่ไม่เปิดเผยได้เป็นการดีบัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีหนึ่งศัตรูหนึ่งคนที่ใช้อามิตรล่อหนึ่งคนผู้ลวงความลับหนึ่งคนผู้รู้ความลับที่ผู้อื่นไม่รู้เพราะกลัวความลับที่ปรึกษาหาร็วกันไว้จะแตกย่อมอดกลั้นไว้ดุดบุคคลผู้เป็นภาคเขาคนมีประมาณเท่าใดล่วงรู้ความลับที่เขาปรึกษากัน คนมีประมาณเท่านั้นเป็นบุคคลที่น่าหวาดกลัวของเขาเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับเวลากลางวันควรพูดความลับในที่สงัดเวลากลางคืนไม่ควรพูดดังเกินไปเพราะเหตุว่าคนแอบฟังได้ยินความลับที่ปรึกษากันเข้าความลับนั้นจะถึงการแพร่พายโดยเร็วพลันนครใหญ่ที่สร้างด้วยเหล็กไม่มีประตูมีโรงเรือนล้วนสร้างด้วยเหล็ก มีครูขุดไว้ล้อมรอบย่อมปรากฏแม้ฉันใดแม้ผู้มีความคิดอันลี้ลับในโลกนี้ก็ปรากฏแก่เราฉันนั้นนาคาราชผู้มีลิ้นสองแฉกนรชนเหล่าใดปกปิดความคิดไว้ไม่พูดพล่อยมั่นคงอยู่ในประโยชน์ของตนศัตรูทั้งหลายย่อมหลีกห่างไกลาจากนรชนเหล่านั้นเหมือนคนรักชีวิตหลีกห่างไกลาจากหมูสัตว์อสรพิษฉ น, นั้น เมื่อพญาครุฑกล่าวอย่างนั้นแล้วปันธ ร, รกะนาคราชจึงกล่าวว่าอาเจละกะละจิ้งบ้านเรือนแล้วบวชมีศรีรษะโลน้นประพฤติเป็นคนเปลืยเพราะเหตุแห่งการหากินเพราะข้าพเจ้าเปิดเผยความลับกับเขาแลจึงได้เสื่อมจากอัตและธรรมพญาครุฑบุคคลกระทําอย่างไรมีศีลอย่างไรบำเพ็ญวัดอะไรประพฤติและความยึดมั่นว่าเป็นของเราอย่างไร จึงจะเป็นสมณะได้อนหนึ่งสมณะกระทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงแดนสวรรค์ได้พญาครุธกล่าวว่าบุคคลประกอบด้วยหิริด้วยความอดกลั้นด้วยการฝึกตนไม่โกรธและคำส่อเสียดประพฤติและความยึดมั่นว่าเป็นของเราเสียจึงจะเป็นสมณะได้สมณะกระทำอย่างนี้จึงจะเข้าถึงแดนสวรรค์ได้ ปันธรากะนาคราชเมื่อจะขอชีวิตจึงกล่าวว่ามารดาก่อสัมผัสบุตรอ่อนซึ่งเกิดแต่ตนแผ่ซ่านเริ่นร่างทุกส่วนสัตว์ปก ป, ป้องชั้นใดท่านผู้เป็นจอมแห่งนกท่านจงปรากฏแก่ข้าพเจ้าแม้ฉันนั้นเหมือนมารดา e n ดูบุตรพญาครุฑเมื่อจะให้ชีวิตแก่ปันธรากะนาคราชจึงกล่าวว่าเอาเถิดท่านผู้มีลิ้นสงแฉกวันนี้ท่านจงพ้นจากการถูกฆ่า ธรรมดาลูกมีสามประเภทคือหนึ่งลูกศิษย์สองลูกบุญธรรมสมลูกในไส่ยังอื่นหามีไม่ท่านจงยินดีเถิดท่านได้เป็นบุตรประเภทหนึ่งของข้าพเจ้าแล้วพระศาสดาตรัสประกถาแล้วทรงประกาศความนั้นว่าพญาครุฑกล่าวอย่างนี้แล้วก็โผลงจากภาคพื้นปล่อยพญานาากล่าวว่าวันนี้ท่านรอดพ้นภัยทั้งปวงแล้ว จงเป็นผู้มีข้าพเจ้าคุ้มครองทั้งทางบกทางน้ำเถิดหมอผู้ฉลาดเป็นที่พึ่งของคนไข้ได้ฉันใดห่วงน้ำเย็นเป็นที่พึ่งของคนผู้กระหายได้ฉันนั้นที่พักเป็นที่พึ่งของคนผู้ถูกความเย็นเพราะหิมะรบกวนฉันใดแม้ข้าพเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งของท่านฉันนั้นพระญาครุฑเห็นเหตุนั้นแล้วจึงกล่าวว่านี่พญาหน้าผู้เกิดในคัน ท่านเชื่อมสัมพันธ์กับพญาครุฑผู้เกิดในฟองไข่ที่เป็นศัตรูยังนอนแยกเคี่ยวอยู่ภัยนั้นมีมาแต่ไหนหนาพญาน่ากล่าวว่าในศัตรูบุคคลพึงระแวงไว้ก่อนแม้ในมิตรก็ไม่พึงวางใจภัยที่เกิดขึ้นจากคนไม่มีภยัยย่อมกัดกร่อนจนถึงโคนรากบุคคลจะพึงวางใจในคนผู้เคยทำการทะเลาะกันมาแล้วได้อย่างไรเล่า บุคคลผู้ดำรงอยู่ด้วยการเตรียมตัวอยู่เป็นนิตย่อมไม่ยินดีกับศัตรูพึงทำให้ผู้อื่นวางใจตนแต่ตนเองไม่พึงวางใจเขาไม่พึงให้ผู้อื่นระวงตนแต่ตนพึงระวงผู้อื่นวินยูชนพึงพยายามโดยที่ผู้อื่นจะไม่รู้ความเป็นไปของตนพระศ า, าสดาทรงประกาศความนั้นว่าสัตว์ผู้ประเสริฐทั้งสองนั้นมีเพศพันดุษฎีพย า, ยาดาสุขุมมรชาต มีสุ้ดทรงสันฐานและวัยงามเสมอกันบริสุทธิ์มีกองกุศลผลบุญคลอเคลียกันไปเหมือนพาณะเทียมด้วยมา้าได้เข้าไปหากรัมปิยะอเจละกะลำดับนั้นแลปัญท ร, รกะนาคราชได้เข้าไปหาอาเจละกะตามลำพังตนเองแล้วด้วยกล่าวอย่างนี้ว่าวันนี้เข้าไปเจ้ารอดตายผ่านพ้นภัยทั้งปวงมาได้คงไม่เป็นที่พอใจของท่านแน่นอน อาเจลกะกล่าวว่าก็พญาครุฑเป็นที่รักของเราอย่างแท้จริงยิ่งกว่าปันธรกะนาคราชโดยไม่ต้องสงสัยเรานั้นมีความรักใคร่ ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่ก็ได้กระทำกรรมชั่วช้านั้นลงไปหาทำไปเพราะความโง่เขลาไม่นาคราชกล่าวว่าธรรมดาบรรพชิตผู้พิจารณาเห็นโลกนี้และโลกหน้าย่อมจะไม่มีความคิดว่าสิ่งนี้เป็นที่รักของเรา หรือสิ่งนี้ไม่เป็นที่รักของเราก็ท่านเป็นผู้ไม่สำรวมแต่ประพฤติลวงชาวโลกนี้ด้วยเพศแห่งผู้มีความสำรวมด้วยดีท่านไม่ใช่พระอริยะแต่ทําเหมือนพระอริยะมิใช่คนสำรวมแต่ทําเหมือนคนสำรวมมีชาติตำซา ม, ามหาใช่ผู้ประเสริฐไม่ได้ประพฤติชั่วช้าลามกเป็นอันมากครั้นตําหนิแล้วเมื่อจะสาบจึงกล่าวว่าเจ้าคนผู้มีนิสัยประทุษร้าย เจ้าเป็นคนประทุษร้ายมิตรผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งเป็นคนพูดจาส่อเสียดด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอศีรษะของเจ้าจงแตกเจ็ดเสียงพระศา ส, าสดาทรงประกาศความที่พระเทวทัต ถ, ถูกแผ่นดินสูงจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุคคลไม่ควรประทุษร้ายมิตรเพราะว่าคนอื่นที่จะเลวกว่าคนผู้ประทุษร้ายมิตรไม่มีอาเ จ, จะละกะถูกสัตว์มีพิษสาบ กำจัดลงแล้วในแผ่นดินทั้งทั้งที่ปฏิญญาว่าเรามีความสำรวมก็ถูกทำลายแล้วด้วยคำของจอมนาคินปันธรกะนาพราชาชาดกที่8จบ 9. าสัมพูรลาชาดกว่าด้วยความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพูลายักษ์ทานบเห็นพระนางสัมพูลามีจิต ป, ปฏิพัตจึงกล่าวว่า โอ้แม่นางผู้มีลำขาอันกลมกลึงเธอเป็นใครยืนสันสทานอยู่แต่ผู้เดียวใกล้ๆซอกเขาเธอผู้มีสวดทรงหน้าคล้าคลึงเราถามแล้วขอเธอจงบอกชื่อและเผ่าพันธ์แก่เราแม่นางผู้มีสวดทรงอันงดงามเธอเป็นใครหรือเป็นกรรยานีของใครทรงสว่างสวัยไปทั่วป่าที่น่ารื่นรมซึ่งเป็นที่ที่สีหะพยักษ์อยู่อาศัย แม่นางผู้เจริญเราขอไหว้เธอเราคือทานบขอนอบน้อมแก่เธอพระนางสามภูลาได้ฟังดังนั้นจึงได้ตอบว่าเข้าระเจ้าชื่อสามภูลาเป็นพระชายาของพระราชบุตรพระเจ้ากรุงกาสีซึ่งประชาชนรู้จักพระองค์โดยพระนามว่าเจ้าชายโสดทิเสนทานนผู้เจริญขอท่านจงทราบอย่างนี้เข้าระเจ้าสามภูลาขอไหว้ท่านขอนอบน้อมแก่ท่าน ท่านผู้เจริญพระราชโอรสแห่งวิเทหราชทรงอาโดลประทับอยู่ในป่าเขาพระเจ้าอุปถั์พระองค์ผู้ทรงถูกโรคเปียดเบียนตัวต่อตั ว, ตวอันหนึ่งเขาพระเจ้าแสวงหาของป่านำรงผึ้งหรือเนื้อที่เป็นเดนใดมาพระองค์ก็เสวยสิ่งนั้นวันนี้พระสรีระของพระองค์คงจะเหี่ยวแห้งแน่นอนทั้งสองกล่าวโตตอบกันต่อไปว่าแม่นางสมภูลา เธอจะทำอะไรได้กับพระราชบุตรผู้ทรงรงงมไปด้วยความอาดูนอยู่ในป่าเราจะเป็นพัะสดาของเธอเพราะอัตภาพที่ทุรพลเดือดร้อนเพราะความเศร้าโศกรูปร่างของข้าพเจ้าจะงดงามได้อย่างไรท่านผู้เจริญขอท่านจงสแสวงหาหญิงอื่นที่สวยงามว่าข้าพเจ้าเถิดมาเถิดแม่นางจงขึ้นมายังภูเขาลูกนี้เรามีพัญญาอยู่สี่ร้อยนาง เธอจะประเสริฐกว่านางเหล่านั้นและจะสำเร็จความประสงค์ทุกอย่างแม่นางผู้มีผิวพรรณเปล่งปลัง่งประดุดดวงดาวเธอมีใจประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นทั้งหมดของพี่มีอยู่มากหาได้ง่ายขอเธอจงมาร่วมอภิรมกับพี่ณนะวันนี้เถิดแม่นางสามภูลาถ้าเธอไม่ยอมเป็นมเหสีเธอก็ควรจะเป็นอาหารเช้าของเราในวันรุ่งขึ้น ฟายเจ้าทานบกินคนมีผมเป็นกระเสิงเจชั้นหยาบช้าทารุนมีผิวกายดำแดงได้จับพระนางสัมภูลานั้นผู้มีเห็นที่พึ่งในป่ารวบไว้ในวงแขนส่วนพระนางสัมภูลานั้นถูกปีศาจผู้ทารุนเห็นแก่อามิขลมเหงตกอยู่ในอำนาจของศัตรูก็เศร้าโศกรำพันถึงแต่พระสวามีเท่านั้นการที่รากโสดจะกินเรา ถึงกระนั้นก็หาใช่เป็นความทุกข์ของเราไม่เราทุกข์อยู่แต่ว่าพระลูกเจ้าจะเข้าพระทัยผิดเทพเจ้าทั้งหลายเห็นจะไม่มีอยู่แน่เท้าโลกบาลทั้งหลายชรอยจะไม่มีในโลกนี้แน่นอนคนที่จะห้ามปรามยักษ์ผู้ไม่สำรวมทำการหยาบช้าคงไม่มีแน่นอนเท้าสักกะทรงใคร่ครวญทราบเหตุ น, นั้นแล้วช่วยเอาพระขันเพชรรีบเสด็จไปประทับยืนบนกระท่อมของทานพยักษ์ ตรัสว่านางนี้มีเกียรติยศชื่อเสียงประเสริฐกว่าหญิงทั้งหลายเป็นหญิงฉลาดเรียบร้อยมีเดชรุ่งเรืองดุจกองเพลิงเจ้ารากสดถ้าเจ้ากินหญิงสาวผู้นั้นศีรษะของเจ้าจะพึงแตกเจ็ดเสียงเจ้าอย่าทำให้นางเดือดร้อนจงปล่อยนางไปเพราะนางเป็นหญิงมีสามีพระศาสดาทรงประกาศ ค, ความนั้นว่าก็พระนางสามภูลารอดพ้นจากยักษ์หินคนแล้ว พอเสด็จกลับมาสู่อาสมดุดแม่นกซึ่งมีลูกอ่อนมีอันตรายบินกลับรังดุดแม่โคโนมกลับมายังที่อยู่อาศัยที่ปราศจากลูกโคพระนางสามภูลาราชบุตรีผู้มียศเมื่อไม่ทรงเห็นพระสวามีผู้เป็นที่พึ่งในป่าก็มีดวงพระเนรพร่าพรายเพราะความร้อนทรงกันแสงอยู่ณที่นั้นเมื่อไม่ทรงพบพระราชบุตรพระนางก็ทรงไหว้วน สมณะพราหมณ์และฤาษีผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะว่าดิฉันขอถึงพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อไม่ทรงพบพระราชบุตรก็ทรงไหว้วอนราชสีเสือโคร่งและหมูเนื้อเหล่าอื่นในป่าว่าเาพเจ้าขอถึงท่านทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อไม่ทรงพบพระราชบุตรก็ทรงไหว้วอนเทพเจ้าผู้สิงสถิตอยู่ที่กอหญ้าระดาวันและหมูไม้โอสถตลอดจนบรรพศ และพงไพรว่าข้าพเจ้าขอถึงท่านทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อไม่ทรงพบพระราชบุตรก็ทรงไหว้วอนหมู่ดาวนั ก, กษัตย์ในยามราตรีซึ่งมีรัสมีเสมอด้วยดอกราชพฤกษ์ว่าข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อไม่ทรงพรพระราชบุตรก็ทรงไหว้วอนเทพเจ้าผู้สถิตที่แม่น้ำคงคาซึ่งมีนามว่าภาคีรธี เป็นที่รองรับการไหลมาแห่งแม่น้ําสายอื่นจํานวนมากว่าเขาพเจ้าขอถึงท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อไม่ทรงพบพระราชบุตรก็ทรงไหว้วอนเทพเจ้าผู้สิงสถิตอยู่ณภูเขาหิมะวันที่ประเสริฐกว่าขุนเขาทั้งปวงซึ่งเต็มด้วยศิลาว่าเขาพเจ้าขอถึงท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกโซติเสนทูลถามพระนางสามภูลาว่าพระราชบุตรีผู้มียศ พระนางกลับมาจนเย็นข้ามเชียวหนอวันนี้พระนางสมคบกับใครหนอใครกันหนอเป็นที่รักของพระนางยิ่งกว่ามอมฉันพระนางสามพูลาตรัสว่ามอมฉันถูกทานกผู้เป็นศัตรูนั้นจับไว้เดียกล่าวกับมันอย่างนี้ว่าการที่รากสดจะกินเราถึงกระนั้นก็หายใช้ความทุกขของเราไม่เราทุกอยู่แต่ว่าพระลูกเจ้าจะเข้าพระทัยผิด โสติเสนได้ฟังดังนั้นแล้วจึงตรัสว่านางโจนมีเล่เหลี่ยมมากมายยากที่จะหาความสัตย์ได้หญิงทั้งหลายมีภาวะรู้ได้ยากเหมือนปลาที่ว่ายไปในน้ำพระนางสามภูลาทรงทำรรสัจจกกริยาหลั่งน้าลงที่ศรรีรษะของโสติเซนนั้นว่าขอความสัตย์จงคอยพิทักษ์รักษาหม่อมฉันอย่างที่หม่อมฉันไม่เคยรักชายอื่นยิ่งไปกว่าทุนกระหม่อมเลย ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอพระโรคของทูลกระหม่อมจงระงับไปพระสสุราดาบทตรัสถามพระนางสัมพูลาผู้มีอินทรีเหี่ยวแห้งว่าพญาเช้า700ร้อเชือกซึ่งมีทหารถืออาวุธอย่างเข้มแข็งขับขี่และนายขมังธนูอีก 1,600 นายเฝ้ารักษาตลอดคืนตลอดวันแม่นางผู้เจริญพระนางยังจะพบศัตรูชนิดไหนอีกพระนางสัมพูลากราบทูลว่า ขอเดชะพระบิดาพระราชบุตรทอพระเนตรเห็นนางสนมนารีผู้ประดับตกแต่งเรือนร่างมีผิวพรรณงามดังกลีบทุ่มรุ่นกำดัดมีเสียงไพเราะดังนางพญาหง์และทรงสดับเสียงหัวเราะขับกล่อมประโคมบัดนี้สำหรับหม่อมฉันพระลูกเจ้าหาเป็นดังเช่นก่อนไม่ขอเดชะพระบิดาสนมนารีเหล่านั้นทรงเครื่องประดับล้วนเป็นทองคำ มีเรือนร่างเฉิดโฉมประดับด้วยอลังการนานาชนิดเพล้พริ้งดังสาวสวรร์เป็นที่โปรดปรานของเท้าโสติเสนล้วนมีสวดทรงหาทิติไม่ได้เป็นขติยะกัญญาพากันพนเปรอเท้าเธออยู่ขอเดชะพระบิดาถ้าหาพระราชโอรสทรงยกย่องหม่อมฉันและไม่ทรงดูหมินหม่อมฉันเหมือนคราวที่หม่อมฉันเคยเที่ยวสแสวงหาพลาพล เลี้ยงดูพระสวามีอยู่ในป่าในการก่อนไซสสำหรับหม่อมฉันป่านั้นแหละพระเสดิจก่าราชสมบัติในกรุงพารณสีนี้เสียอีกนารีผู้มีอาพรณ์เกลี้ยงเกลาประดับตกแต่งร่างกายอย่างสวยงามถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างอยู่ในเรือนที่มีข้าวและน้ำที่เขาตระเตรียมไว้อย่างไพยบูร์อันใดแต่ไม่เป็นที่รักของสามี การที่นารีนั้นฆ่าตัวตายเสียยังประเสริฐกว่าการอยู่ครองเรือนนั้นแม้หญิงใดเป็นคนกำพระขัดสนไร้เครื่องประดับนอนบนเสื่อลำแพนแต่เจ้าหล่อนเป็นที่รักของสามียิงนี้แหลแม้จะเป็นคนกัมพราก็ยังประเสริฐกว่าญิงที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างแต่ไม่เป็นที่รักของสามีพระสุสุราดาบทตรัสสอนพระราชโอรสว่า หญิงผู้เกื้อ ก, กูลชายผู้เป็นสามีหายได้ยากยิ่งสามีผู้เกื้อ ก, กูลหญิงผู้เป็นพันยาก็หายได้ยากเจ้าผู้จอมชนพระนางสามภูลาเป็นพันยาผู้เกื้อกูลต่อเจ้าและเป็นผู้มีศีลเจ้าจงประพฤติต่อพระนางสามภูลาอย่างยุติธรรมเถิดพระเจ้าโสธิเศสนเมื่อจะมอบอิสริยยศแก่พระนางสามภูลาจึงตรัสว่าพระน้องนางผู้เจริญ ถ้าเมื่อพระน้องนางได้โพคะอันไพบู์แล้วละความริษยาได้จนวันตายพี่และราชกัญญาเหล่านี้ทั้งหมดจะทำตามคำของพระน้องนางสามพูราชาดกที่9จบ10คันทติ น, นะทุ ก, กะชาดกว่าโดยเทวดาชื่อคันทัตินทุกะพระโพธิสัตว์ครั้งเกิดเป็นรรกเทวดาชื่อคันทัดตินทุกะ แสดงทำถวายพระราชาว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วความประมาทเกิดจากความมัวเมาความเสื่อมเกิดจากความประมาทและเพราะความเสื่อมจึงเกิดการประทุษร้ายท่านพระรัตูสภพะขอพระองค์อย่าได้ประมาทเลย แทจริงกษัตริย์ทั้งหลายผู้ประมาจจำนวนมากย่อมเสื่อมทั้งประโยชน์ทั้งแคว้นแม้นบ้านและลูกบ้านก็เสื่อมแม่บรรพชิตและขรหัดก็เสื่อมขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพรดุงรัฐให้เจริญโภคะทั้งปวงในแคว้นของกษัตริย์ผู้ประมาทแล้วย่อมพินาศข้อนั้นท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ของพระราชาขอเดชะพระมหาราชนั่นหาใช่ธรรมไม่ พระองค์ทรงประมาทเกินขอบเขตพวกโจรจึงปล้นทำลายชนบทที่มั่งคั่งสมบูรณ์พระราชบุตรผู้จะเสอบสันตติวงศ์จกไม่มีทรัพย์สินเงินทองจกไม่มีพระนครก็จะไม่มีเมื่อแคว้นถูกปล้นสะดมพระองค์ก็จะเสื่อมจากโภคะทั้งปวงพระญาติมิตรและพระสหายย่อมไม่นับถือพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ซึ่งเสื่อมจากโภคาทั้งปวงในทางพระปรีชาสามารถ พลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าซึ่งอาศัยพระองค์เลี้ยงชีพย่อมไม่นับถือพระองค์ว่าเป็นพระราชาผู้ควรนับถือสิริย่อมละคนโง่ผู้ไม่จัดแจงการงานมีความคิดเลวสามมีปัญญาสามไปเหมือนงูล่อคราบเก่าทิ้งประสัตผู้ทรงจัดแจงการงานดีทรงขยันตลอดการไม่เกียจคร้านโภคะทั้งปวงย่อมเจริญโดยยิ่ง เหมือนฝงโคที่มีโคอุสภพะเป็นจ่าฝงขอเดชะพระมหาราชขอพระองค์ทรงสเสด็จไปสดับตรับฟังเหตุการณ์ทั้งในแคว้นและชนบทครั้นได้ทอดพระเนตรและสะดับแล้วพึงปฏิบัติไปตามนั้นชายแก่ชาวบ้านถูกน้ำต่ำเท้าที่ประตูเรือนจึงนั่งกระยงบ่งน้ำพลางด่าพระราชาว่าขอให้พระเจ้าปัญจล จงถูกลูกสรเสียบแทงในสงครามเวยทุกขเวทนาเหมือนตัวข้าถูกน้ำต่ำเสวยทุกขเวทนาในวันนี้พอราชโปรโรหิตได้ยินคำด่าของชายแก่จึงถามว่าลุงแก่แล้วหูตา ม, มืดมัวมองเห็นไม่ชัดน้ำจึงต่ำในข้อนี้พระเจ้าพรหมทัตมีความผิดอะไรด้วยเล่าชายแก่ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์ ในข้อที่ก็พระเจ้าถูกน้ำตำ่ำพระเจ้าพระมทัตน์มีความผิดอย่างมากเพราะพระองค์ไม่ได้พิทักษ์คุ้มครองชาวชนบทจึงถูกกดขี่ด้วยพลีกรรมอันไม่เป็นธรรมกลางคืนพวกจนก็ปล้นสะดมกลางวันพวกเจ้าหน้าที่ก็กดขี่ในแคว้นของพระราชากงคนผู้ประกอบการงานอันไม่ชอบธรรมจึงมีอยู่มากเมื่อภัยเช่นนี้เกิดขึ้นพราหม์พวกมานพที่กลัวภัย จึงนำน้าในป่ามาแล้วสร้างที่หลบเร้นหญิงชราผู้เก็บผักหักฟืนจากป่ามาเลี้ยงลูกสาวขึ้นพุ่มไม้กำลังเก็บผักอยู่พลัดตกลงมาเมื่อจะด่าพระราชาโดยแช่งให้ตายจึงกล่าวว่าในแคว้นของพระเจ้าพรหมทัตหญิงสาวหาผัวไม่ได้แก่ลงไปเมื่อไรหนอพระเจ้าพรหมทัตจากสวรรคตรเสียทีเมื่อราชปุโรหิตจะคัดค้านานางจึงกล่าวว่า แม่หญิงชั่วช้าไม่เข้าใจเหตุผลเธอนี่ยพูดไม่ดีเลยพระราชาเคยหาโวให้พวกหญิงสาวที่ไหนกันหญิงชราได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าพูดไม่ดีข้าพเจ้าเข้าใจเหตุผลเพราะพระเจ้าพรหมทัตไม่ได้พิทักษ์คุ้มครองชาวชนบทจึงถูกกดขี่ด้วยเพลียกรรมอันไม่เป็นธรรมกลางคืนพวกโจรก็ปล้นสะดม กลางวันพวกเจ้าหน้าที่ก็กดขี่ในแคว้นของพระราชากงคนผู้ประกอบการงานอันไม่ชอบทำจึงมีอยู่มากเมื่อความเป็นอยู่ลำบากพัญญาก็เลี้ยงได้ยากที่ไหนหญิงสาวจะมีสามีได้เล่าเมื่อชาวนากำลังไถนาโคชื่อสาลิยะถูกผานบาดลม้มลงเขาเมื่อจะด่าพระราชาจึงกล่าวว่า ขอให้พระเจ้าปัญจาละถูกขอกแทงล้มนอนกลิ้งในสงครามเหมือนโคภริพัตสาลิยะผู้น่าสงสารถูกพานบาดล้มนอนกลิ้งอยู่เมื่อราชปุโรหิต จ, จะคัดค้านชาวนา น, นั้นจึงกล่าวว่าเจ้าคนชาติชั่วเจ้านะโกรธพระเจ้าพรหมทัตยอย่างไม่ถูกต้องเจ้าทำร้ายโคของตนเองกลับมาสาปแช่งพระราชาชาวนานได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์ เขาระเจ้าโกรธพระเจ้าพรหมทัตโดยธรรมเพราะพระเจ้าพรหมทัตไม่ได้พิทั์คุ้มครองชาวชนบทจึงถูกกดขี่ด้วยเพลียกรรมอันไม่เป็นธรรมกลางคืนพวกโจรก็ปล้นสะดมกลางวันพวกเจ้าหน้าที่ก็กดขี่ในแคว้นของพระราชาโกงคนผู้ประกอบการงานอันไม่ชอบธรรมจึงมีอยู่มากแม่ครัวคงหุงใหมแน่นอนจึงนำอาหารมาใาย ข้าพเจ้าโมดูแลคนนําอาหารมาโคสาลรียจึงถูกผานบาดคนรีดนมโคถูกแม่โคดิดล้มกลิ้มไปพร้อมกับนมสดเมื่อจะดาพระราชาจึงกล่าวว่าขอพระเจ้าปัญจาละจงถูกฟันด้วยดาบเดือดร้อนอยู่ในสงครามเหมือนเราถูกแม่โคนมดีจนน้ํานมของเรากลิ้งหกในวันนี้ราชบุปโปรหิตกล่าวว่าสัตว์เลี้ยงหลั่งน้ํานมทิ้งเอง เบียดเบียนคนเลี้ยงสัตว์เองในข้อนี้พระเจ้าพรหมทัตมีความผิดอะไรด้วยเล่าท่านผู้เจริญไม่น่าจะติเตียนพระองค์ท่านเลยเมื่อราชปุโรหิกล่าวจบลงคนรีดนมได้กล่าวว่าท่านพราหมณ์พระเจ้าปัญจาละควรจะถูกติเตียนเพราะพระเจ้าพรหมทัตไม่พิทักษ์คุ้มครองชาวชนบทจึงถูกกดขี่ด้วยพลีกรรมอันไม่เป็นธรรมกลางคืนพวกโจรก็ปล้นสะดม กลางวันพวกเจ้าหน้าที่ก็กดขี่ในแคว้นของพระราชากงคนผู้ประกอบการงานอันไม่ชอบธรรมจึงมีอยู่มากแม่โคตัวดุร้ายปราเปยวเมื่อก่อนพวกเธอไม่ได้รีดนมมันบัดนี้พวกเราถูกเจ้าหน้าที่ต้องการน้ำนมรบกวนจึงต้องรีดนมมันในวันนี้พวกเด็กชาวบ้านเห็นแม่โคนมที่ลูกถูกฆ่าไม่ยอมกินยากิกนน้ำเพียนร่ำร้องหาลูกอยู่ เมื่อจะพากันดาพระราชาจึงกล่าวว่าขอพระเจ้าปัญจาละจงพระพรากจากพระราชบุตรคร่ำครวญมนมองเหมือนแม่โคผู้น่าสงสารตัวนี้พระพรากจากลูกวิ่งพรานคร่ำครวญอยู่ลำดับนั้นปุโรหิตกล่าวว่าสัตว์เลี้ยงของคนเลี้ยงสัตว์พึงวิ่งไปมาหรือร้องคร่ำครวญในข้อนี้พระเจ้าพรมทัศมีความผิดอะไรด้วยเล่า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 เพราะต้องการหนังทําฝักดาบพระโพธิสัตว์บันดาลให้กบแช่งด่าพระราชาว่าขอพระเจ้าปัญจาละพร้อมทั้งพระโอรสจงถูกฆ่ากินในสนามรบเหมือนเราซึ่งเกิดในป่าถูกกาบ้านฆ่ากินในวันนี้ราชบุปโปรโหิตได้ฟังดังนั้นจึงสนทนากับกบว่าเจ้ากบพระราชาทั้งหลายในมนุษยโลกจะจัดการพิทักษารักษาเหล่าสัตว์ทั้งปวงหาได้ไหม พระราชาจะจัดว่าเป็นอธรรมจารีบุคคลเพราะเหตุเพียงกาขินสัตว์เช่นท่านหามิได้ครบได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่าท่านเป็นพระมารีบุคคลผู้ไม่มีธรรมจึงกล่าวยกย่องกษัตริย์เมื่อประชากรจำนวนมากถูกปล้นอยู่ท่านก็ยังบูชาพระราชาผู้เละเลือนอยู่ได้ท่านพราหมณ์ถ้าแคว้นนี้พึงมีพระราชาที่ดีไซ ก็จะมั่งคัง่งแบ่งบานผ่องใสฝูงกาก็จะได้กินก้อนข้าวที่ดีซึ่งเป็นเพลียกรรมไม่พึงกินสัตว์เช่นเราเลยขันธะตินทุกะชาดกที่1ิบจบโรมชาดกที่มีในนิบาทนี้คือ 1. กิงฉันทชาดก 2. กุมพระชาดก 3. ามชยติสะชาดก 4. ี่ชทันตะชาดก 5. สัมพวชาดก 6. มหากปิชาดก 7. ทักษรคษะชาดก 8. ปันธรกะนาคราชชาดก 9. สัมภูราชาด ก, าาดก 10. คันทัตินทุกกะชาดกติ้งสตินิบาตจบ